พิทิปิโสภะวาระหังสัมมาสัมพุทโตเวชฌาจราณาสัมปันโนสุขโตโลกวิู อนุตโรปุริสดามสาริสัทฐานว่มนุสานังพุธโธภาควาตีองไดพระสัมพุทธ ทาสันดานตัดมูลกาเลสมันบ่มีมนมีมองมัวหนึ่งในพระไทยทัน ก็เบิกบ้านคือดอกบัวราคีบพันผัวสุวาคอนทากามจององได้ประกอบด้วย พระการุณาดังสาคอนโปรดหมู่ประชาชนมาลาโอคาการดานชีทางบรรเทาทุก และชีสุกเกษมสานชีทางผานหนาือผ่านอันนโสกิยยกภายพร้อมเบนจะพิธาจาก สุจรากวิมนสายเห็นเหตุที่ไกลไกลก็เจนจบประจักษ์จริงกรรมจัดนำใจบาป สันดานบาปแห่งชายหญิงสัตว์โลกได้พึ่งเพียงมาลบาบาบำเพ็ญบุญข้าขอประนอดน้อม สิรากาาบา ง, งคมคณสามพุทธกาโรนยาบานานนิรันดอนอกราบกราบลงกับพื้นเลยนะครบับ สวากาโตภาควาตาธรมโมสาริทธิโกอากาลิโกเฮหิปัสสิโกอปปนาเยโก ปาจจางเวทิตามโมวินยุติธรรมาคือคุณากรส่วนชอบสาท้อนดูดดวงประทีปชัดชวาน แห่งองค์พระศาสดาจานสองศาสันดานสว่างกระจ่างใจมนทำไดนับโดยมักพลเป็นแปดพึงโยน แลก่ากับทางนารุภานสมยาโลกอุดอนพิสดารานลึกโอลานพิสุทธิพิเศษสุขใสอกทธามต้นทางคันย นามคนานคานคายปฏิบัติปริยตัตเป็น้องคือทางดำเนินดุจจักครองให้หลวงลูปองอย่างโลกอุดอนโดยตรง ขาขออ่อนอ่อนอุตตโมงนอบรมจำนงโดยจิตและกายว่าจากราบระลึกถึงพระธรรมคุณนะสุปฏิปันโนภาคาวโาโตสวาคัสังโค โอชุปาติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆมยายาปาติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆสามีจิปาติปันโน ภาควโตสาวกสังโฆญาทิทางจตาริปุริสายุคานิอัตถุริสปุคะลาเหาะภาควโตสาวกสังโฆ อาหูนยโยปาหูนยโยทากีนยอยันชริกระนียโยอนุตตรังปุญญเขตัโลกัสสติ ทรงได้สาวกศาสดารับปฏิบัติมาแด่องค้สมเด็พระควาลเห็นแจ้งจัตุศาสเสร็จบานโลทางที่อันรังอับและดาบทุกภัย โดยเสด็จพระผู้ตรัสรายปัญญาผ่องใสสาตว์และปราชมัวมองเฮินหางทางข้าศึกปองบ่มีรำผพองโดยกายและว่าจาใจ เป็นเนื้อนาบุญอันไยสานแห่โลกายและเกิดพิบุญภูนพลซ้อมยาเอารถทศพลมีคุณ อ, น, อนุนอเนกนับเลือตรา ข้าขอนบหมูพัสราพกสรงคูานาโนคุณประดุดจะรำพานด้วยเดชบบญข้าอภิวันผ้าตรายรัาอานอุดอมดิเรกนิราชไซ จองช่วยขาจัดโพยภัยอันตรายได้ใดจองดับและกราบเสื่องสูนกราบระลึลกถึงพระสังฆคุณนะนะโมตัสสะพระขวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะ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 เททังขะโโลกัิตายานโทนโมมหาคารุนิกัสตัสสะอสัมบุตรทางบุตรนิเสวิตังยังบวบวังขจติชีวโลกโณนโมอวิชชาติกิเลสชาลา วิทังสิโนธรรมวรัสตัดสาคุเนหิโยสีระสมาทิปัญญาวิมุตติญาณปัตติหิยุดโตเขตังชนะนังกุสระติกายังตามยาริยสังคังสิระสนามามี ข้าพเจ้าขอถวายนมส ก, การแด่พระนาถพระองค์ใดผู้ประกอบด้วยพระมหากรุณาธิคุณผู้กระทำซึ่งกรรมทั้งหลายที่ทำได้ยากยิ่งนักตลอดการอันับประมาณหาประมาณมิได้นับด้วยหลายร้อยโกฎกับทรงถึงซึ่งความยากลำบากเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์โลกโดยแท้ ข้าพเจ้าขอถวายนมาสการแด่พระธรรมอันประเสริฐนั้นซึ่งพระพุทธเจ้าทรงเสพอยู่เป็นนิดอันขจัดเสียซึ่งขายคือกิเลสมีอวิชชาเป็นต้นซึ่งสัตว์โลกทั้งหลายเมื่อ ย, ยังไม่อย่างรู้จึงท่องเที่ยวไปสู่พบน้อยและพพใหญ่เป็นนิดข้าพเจ้าขอถวายนมาสการด้วยเสียงกราว ซึ่งพระอาริยสงฆ์เจ้าเรานั้นผู้ประกอบไปด้วยคุณทั้งหลายมีศีลสมาธิปัญญาและวิมุตติญาณเป็นเข้ามูลเป็นบุญญาเขตของชนทั้งหลายผู้มีความปารถในการเจริญกุศลขออนุโมทนาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายท่านทั้งหลายพึงทราบเถวว่าพระสัพพัญยุตยาน คือพยานของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ของพุทธญาณเดียวกันเท่านั้นโดยประกาศและทั้งปวงไม่ได้เป็นอารมณ์ของญาณของผู้อื่นแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายก็ไม่สามารถที่จะกล่าวให้พิสดารได้เลยเพราะว่าในชั้นของคำสอนบอกว่าแม้หากพระพุทธเจ้าซึ่งจะพารนาซึ่งพระคุณของรพุทธเจ้า ไม่ได้พูดในเรื่องอื่นเลยแม้ตลอดกับกับนี้ย่อมสิ้นไปในระหว่างแต่คุณของพระตถาคตเจ้าหาหมดสิ้นไปไม่เราท่านทั้งหลายได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบคำสอนของพระพุทธเจ้าได้มีโอกาสในการฟังพระสัจธรรมเราท่านทั้งหลายจงตั้งอัธยาศัยตั้งศรัทธาคือความเชื่อมั่นในคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ท่องแท้ว่า กระแสะชีวิตของเราที่เกิดมาเนี่ยนับว่าเป็นบุญญร า, าบอันประเสริฐแล้วที่เราได้มีโอกาสในการที่มาเดินตามรอยบาทพระศ า, าสดาปฏิบัติตามคาสอนของพุทธองค์เพื่อจะนำพากระแสะชีวิตของตนเองนั้นน่ให้รอดพ้นจากภัยในสังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิดเป็นต้นแค่นั้นเมื่อเราตั้งศรัทธาเนี่ยไว้ในกระแสะของจิตหรือในกระแสะของชีวิต ศรัทธาคือความเชื่อมั่นก็จะไปยึดโยงกับพระพุทธเจ้าก็เชื่อมั่นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นบุคคลตัวอย่างเป็นบุคคลต้นแบบของสัตว์โลกทั้งหลายซึ่งหาบุคคลอื่นเสมอเหมือนไม่ได้เราจะหาบุคคลนั้นที่เสมอกับพระเจ้าด้วยศีลก็ไม่ได้ด้วยสมาธิก็ไม่ได้ด้วยปัญญาก็ไม่ได้ด้วยวิมุตติญาณวิมุตติญาณนัทนะนเป็นต้นไม่มีเลย แค่นั้นพระเจ้านั้นเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยคุณทั้งหลายมีทานบรารมีศีลบรารมีเนคขมารปัญญาเป็นต้นจนถึงเบขาบรารมีเป็นที่สุดฉะนั้นละเมื่อเราท่านทั้งหลายเนี่ยได้มีพระบรมศาสดาที่ประเสริฐเลิศล้ำขนาดนี้เราท่านทั้งหลายต้องยางความภูมิใจให้เกิดขึ้นก็คือเกิดความผ่องใสชื่นใจว่าเราเนี่ย เกิดมาไม่เสียชาติเกิดแล้วได้มีโอกาสในการเดินตามรอยบาทพระศาสดาได้มีโอกาสในการรักษาศีลได้มีโอกาสในการเจริญสมาธิอบรมปัญญาเป็นต้นอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเราท่านทั้งหลายที่ได้มีโอกาสในการที่จะมาฝึกฝนพัฒนาในกระแสชีวิตของเราเนี่ยเพื่อจะได้เดินตามรอยบาทพระศาสดานาพาตนเองให้รอดปลอดภัยนาตนเองนั้นให้หมดจด จากเครื่องเศร้ามองมีราคะความกำหนัดโธศาส์ความโกรธและก็โมหะความมืดบอดเป็นต้นฉะนั้นถ้ามองในลักษณะอย่างนี้ก็จะเห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงสร้างสั่งสมบารมีมามากเราท่านทั้งหลายก็ได้โอกาสในการที่จะศึกษาและปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าทีนี้ท่านมามองพิจารณาอย่างนี้นะว่าก่อนที่เราท่านทั้งหลายเนี่ยจะพัฒนากระแสชีวิตของเราเนี่ยไปถึงจุดหมายปลายทางอันสูงสุด ก็คือพัฒนาไปถึงปัญญาในการที่จะแทงตลอดความจริงนี้เป็นต้นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายจะต้องมาทบทวนและมาใข้ควรก็คือว่าเออเราได้ฝึกฝนมาเนี่ยวันนี้เป็นวันที่สามเป็นต้นเราก็ต้องมาพิจารณาว่าไอาตัวกุศลศีลของเราเนี่ยนะเออตอนนี้มันจเจริญ ง, งอกงามดีไหมเรามาพิจารณาดูนะ ว่าแต่ละข้อที่เราได้ฝึกผลได้สมาทานมาเนี่ยัวกุศลศีลแต่ละข้อนั้นได้ปักฝังแน่นลงในกระแสชีวิตได้อย่างมั่นคงหรือยังเห็นว่าหนึ่งเรามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าและเราก็มีศรัทธาในพระธรรมคำสอนเรามีศรัทธาในการที่จะฝึกผลอบรมพัฒนาตนเองอย่างเต็มที่เต็มรูปแบบหรือไม่ถ้ามีศรัทธามีความเชื่อมั่นไหม เชื่อมั่นพระพุทธเจ้าไหมว่าพระองค์เนี่ยเป็นบุคคลที่ข้ามฝั่งได้แล้วและเชื่อมั่นพระธรรมของพุทธเจ้าหรือไม่ว่าจะนําพากระแสชีวิตของเราเนี่ยเดินออกจากภัยทั้งหลายเนี่ยนะที่เป็นมหันตภัยทั้งหลายมหันตภัยคือความเกิดแก่เจ็บตายเป็นต้นเนี่ยเชื่อมันม่นไหมว่าตอนนี้เรากําลังอยู่ในทะเลหรืออยู่ในมหาสมุทรที่เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายน า, นานาชนิดนะเราจะต้องประสบความทุกข์แล้วแล้วเรา ทีนี้ประเด็นว่าคนที่จะข้ามทะเลข้ามฟังข้ามมาหาสมุทรได้นะเขามีอะไรเขาก็มีเรือขนาดอย่างดีก็เรียกสัมเภาทองลำใหญ่เนี่ยสัมเภาทองลำใหญ่ในที่นั้นหมายถึงธรรมนาวาที่พระบรมศาสดาทรงประกาศเขาไว้ธรรมนาวาที่พระบรมศาสดาทรงประกาศเขาไว้ในชั้นของคําสอนเนี่ยเราท่านทั้งหลายลงมาพิจารณาดูที่เรามีหรือไม่ บอกว่าหนึ่งตอนนี้ทัศนคติมุมมองความเห็นแนวคิดความเชื่อถือทัศนคติหรือค่านิยมต่างๆที่ดีงามถูกต้องเนี่ยมองสิ่งทั้งหลายตามเหตุตามปัจจัยสอดคล้องกับความเป็นจริงหรือตามสภาวะหรือไม่เออตอนนี้เมื่อเราฟังว่ารรมาขนาดนี้เราได้ปรับทัศนคติปรับมุมมองปรับค่านิยมของเรา ให้สอดคล้องตามแนวของเหตุผลของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรื อ, อยังถ้ายังก็แสดงให้เห็นชัดว่าเรายังมีทัศนคติมุมมองหรือวิธีคิดของเราแบบเดิมๆนะเราเชื่อมั่นไหมพระเจ้ามาอุบัติเกิดขึ้นมาเนี่ยพระเจ้ามาฉลาดหรือมีญาณปัญญาอย่างเห็นเหตุและผลตามความเป็นจริงพระเจ้านั้นมีปัญญาญาณในการที่จะรู้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นทรัพย์สมบัติของตน สัตว์ทั้งหลายทํากรรมใดไว้ดีหรือชั่วก็จะต้องรับผลของการกระทํานั้นกรรมดําให้วิบากดำนะฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดเทศส่อเสียดคําหยาเพื่อเจอ้อโลภโกรธแล้วเห็นผิดอกุศลกรรมมาบทสิบเนี่ยประชุมในกระแสชีวิตของท่านผู้ใดอกุศลกรรมบทสิบเหล่านั้นก็จะนําบาปนําอกุศลให้เกิดขึ้นในกระแสชีวิตอย่างบุคลิกภาพของท่านเหล่านั้นให้น่ากลัวน่าเกลียดและที่สุดจริงๆ บาปอกุศลธรรมเหล่านั้นจะก็จะให้ผลเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนารกเจ็บปวดถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่ผิดหวังเป็นมนุษย์ที่เจ็บปวดเป็นมนุษย์ที่มีแต่ความเดือดร้อนเป็นต้นเราเชื่อมั่นไหมเหตุเหตุหชั่วผลก็ชั่วเหตุเสียผลก็เสียที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ประการต่อมาคือว่ากุศลหรือถ้าหากว่ากรรมขาวก็ให้วิบากขาว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 การประกอบกรรมดีมารดาบิดามีคุณเป็นต้นคุณของบรนดาบิดามชีชาตินี้มีโลกหน้ามีโลกที่ผ่านมาก็มีนะสัตว์ทั้งหลายตายจากรอบพบอื่นโลกอื่นด้วยบาปด้วยอกุศลหรือด้วยกุศลทั้งหลายก็มาสู่พบนี้เป็นต้นและถ้าทํากรรมจากพบนี้ก็ไปสู่พบอื่นอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เชื่อมั่นว่าสมณพราหมณ์ระดับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยผู้รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจธรรม สามารถแทงตลอดสัจจะสีได้แล้วก็ประกาศเปิดเผยบอกล่าวจุดคบเพลิงแห่งวัฒธรรมนํากระแสะชีวิตของสัตว์ทั้งหลายให้รอดปลอดภัยมีญาณปัญญาแทงตลอดสัจจะตามความเป็นจริงเป็นต้นได้แล้วเชื่อไหมถ้าเชื่อในลักษณะอย่างนี้เห็นสอดคล้องตามในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าความเห็นที่เชื่อว่าทํากรรมขาวก็ให้วิบากขาวเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่สมหวังไม่ผิดหวัง อย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าหากว่าทำกรรมทั้งดำและขาวล่ะคระเคล้ากันไปเหมือนบางคราวก็อยู่น้ำใสบางคราวก็น้ำคล้ำเนี่ยถ้ากรรมสลับกันอย่างเงี้ยทั้งบาปทั้งบุญทั้งบุญทั้งบาปสลับกันในกระแสชีวิตถามว่าชีวิตจะเป็นยังไงชีวิตเหล่านั้นก็ทั้งสุขติทั้งทุกขติก็จะคระเคล้ากันไปบางคราวก็สุขติบางคราวก็ทุกขติ แล้วกระแสชีวิตของเราก็จะมีทั้งบาปทั้งบุญทั้งหลายหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลานี่แหละโดยส่วนใหญ่หลายๆคนก็มีบาปมาเกี่ยวข้องเดี๋ยวก็มีบุญมาเกี่ยวข้องถามเรายังทํากรรมประเภทนี้อยู่หรือไม่ถ้ากรรมทำการประเภทเหล่านี้ที่สุดจริงๆก็ไม่สามารถจะรอดปลอดภัยจากภัยในวัตฏะเป็นต้นได้นะที่สุดจริงๆกระแสชีวิตของเราก็เดี๋ยวลงต่ำเดี๋ยวขึ้นสูงเดี๋ยวลงต่ําเดี๋ยวขึ้นสูงก็ไม่สามารถที่จะพ้นจาก ภายในสังสารวัฏภัยจากการเวียนว่ายตายเกิดเป็นต้นได้แล้วก็เชื่อมั่นไหมว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากที่ไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมเชื่อมั่นอะไรเชื่อมั่นมรรคกรรมการเจริญตามอริยมรรคมีองค์แปดที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงตรัสเข้าไว้และทรงแทงตลอดเป็นปฏิปทาเป็นทางดาเนินเป็นเครื่องดาเนินเป็นข้อฝึก พ่อปลึกผลพัฒนานำพากระแสชีวิตสัตว์โลกทั้งหลายให้พ้นจากมหันต์แภัยมหันตตโทษเป็นต้นได้เออเชื่อมั่นไหมว่าพระเจ้าแทงตลอดสัจจะสพระองค์ทรงสามารถประชุมมรรคมีองค์8ประการมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเมื่อประชุมเ็ดเสร็จแล้วพระองค์ก็บอกสัจจะความจริงเหล่านี้ให้กับสัตว์โลกนะแล้วก็เปิดเผยด้วยนะก็มาเปิดเผยบอกว่าเนี่ยท่านทั้งหลายปรารถนาจะรอดปลอดภัยจากภัยในสังสารวัฏท่านทั้งหลายก็เดินสิ เดินตามรอยบาทพระศาสดา ท, ที่ได้กล่าวมาว่าปรับทัศนคติมุมมองวิธีคิดของตนเองให้สอดคล้องตามแนวของเหตุผลทํายานปัญญาเกิดขึ้นมาเข้าใจเหตุเข้าใจผลน่ะกรรมดาให้บากดํำยังไงกรรมขาวใหว้บากขาวกรรมทั้งดําทั้งขาวให้วิบากทั้งดําทั้งขาวเป็นไปเพื่อคละเคล้าวกันไปถ้ากรรมที่ไม่ดําไม่ขาวนืที่เราจะฝึกฝนมาเจาริญศีนสมาธิปัญญาเนี่ยเพื่อจะเป็นปจัจจัยต่อความพ้นทุกเนี่ยไอ้ น, นี้เขาเรียกกรรมที่ไม่ดํากรรมที่ไม่ขาว มีวิบากที่เป็นที่ไม่ดำไม่ขาวนะสถิติประฐานส ม, มประธานเป็นต้นเหล่านี้จนถึงมรรคอเนี่ยอันนี้มีวิบากที่ไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความดับกรรมต่อไปเราจะไม่ต้องมารับผลของกรรมไม่ต้องมาทํากรรมอีกแล้วต่อไปเราจะได้พ้นจากภัยพ้นจากทุกขพ้นจากโทษพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดสักทีเออเชื่อมั่นไหมว่าแนวทางที่ประพฤติปฏิบัติเนี่ยจะเป็นปัจจัยเกื้อนหนุนต่ อ, อการที่จะทําให้กระแสชีวิตของเรานั้นรอดปลอดภัยได้จริงทีนี้ เมื่อมีความเห็นถูกความคิดความดำริความตริตองหรือความคิดต่างๆที่ไม่เป็นไปในการที่จะเบียดเบียนตนใช่ไหมมันจะไม่เป็นไป้วนะแต่ความคิดถูกเนี่ยมันจะไม่คิดป ateur, เป็นไปเพื่อบีดเบียดเวียนตนนะยมก็เห็นไหมคนที่คิดเบียดเบียนตนเนี่ยเช่นปกติเนี่ยหนึ่งไม่มีทุกข์อย่าเอาทุกข์มาทับถมตนที่ไม่เป็นทุกข์ ยอมก็เห็นไหมคนที่ไม่มีทุกข์แต่ชอบเอาทุกข์มาทับทนผมตนที่ไม่เป็นทุกข์เช่นเช่นคนบางคนเนี่ยสุขภาพก็ดีๆอยู่นี่แหละไม่ได้มีทุกข์อะไรนะไม่มีทุกข์อะไรหรอกแต่ชอบเอาทุกข์มาใส่ตนเองชอบเอาเหล้ามาใส่ในชีวิตของตอนเองชอบเอาสิ่งเสพติดมาทับถมในชีวิตของตอนเองลักษณะนี้เราเคยเห็นเยอะไหมอชอบ เนี่ยตนเองไม่ได้มีทุกข์อะไรเลยแต่ด้วยความที่ตนเองไม่ชาญฉลาดนี่แหละอาหารชอบเอาอาหารที่เป็นโทษต่อ ร, ร่างกายใส่ในร่างกายของตนเองให้มันมีโรคภัยไข้เจ็บซะอย่างนั้นแหละนี่เห็นไหมไม่มีทุกข์แต่ชอบเอาทุกข์มาทับถมตนที่ไม่เป็นทุกข์หรือไอความคิดเวลามันคิดผิดขึ้นมาเนี่ยนะถ้ากลุ่มเดชะถีนนี่คนเนี่ยกลุ่มนี้ชอบทรมานตัวเองนะเช่นว่าเออจาก ไปนั่งนานๆเพื่อจะให้เป็นการชดใช้กรรมเนี่ยบางคนก็ไปนั่งแช่อยู่ในน้ำบ้างไปนอนอยู่บนขวกน้นาบ้างหน้าหนาวก็ไปอยู่ในหิมะหน้าร้อนก็ไปอยู่กลางแดดนี่เป็นต้นแล้วก็ไปชอบทรมานร่างกายวกระย่างตัวเองแบบนี้แล้วจะทำให้ตนเองเข้าถึงความสุขได้เห็นไหมกลุ่มนี้ไม่ชอบเอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่เป็นทุกข์อีกกลุ่มหนึ่ง บางคนก็คือว่าชอบเอาเรื่องกุ้มกุ้มเรื่องทุกทุกมาคิดวนเวียนสับสนแล้วก็ชอบประทุษสลาย ต, ตนเองเขาด่าครั้งหนึง่ง <c oughs> ก็มาด่าตัวเองเป็นพันพันครั้งเขาประทุษสลายตนเองครั้งหนึง่งก็มาเบียดเบียนตนเองเป็นพันพันเป็นหมืน่นหมื่นครั้งแล้วตนเองก็จมอยู่กับความทุกข์แล้วก็กลายเป็นคนเมอลอยทับถมตนเองลักษณะอย่างนี้เห็นไหมความคิดที่มันผิดนี่เขาเรียกเบียดเบียนตนทําตนเองให้เศร้าหมองเช่น ชอบไปฆ่าสัตว์ชอบไปลักทรัพย์ชอบไปประพฤติผิดในการมทางวาจาก็ชอบไปพูดเทศส่อเสียดคำหยาบและเเพรเจอือทางใจก็นั่งอยู่เฉยๆก็ชอบเอาบาปมาใส่ตนนะชอบกำหนัดยินดีและเพลิดเพลินชอบคิดไปเธอคิดไปแล้วก็คิดโกรธคิดพยาบาทคนอื่นเพราะไม่เข้าใจไงบอกเอยขอให้คนเหล่านี้จงวิบัติมากๆเธอเราไม่ชอบเล ย, เยพวกเนี้ยขอให้มันวิบัติเยอะๆขอให้มันวิบัติเยอะๆขอให้ชีวิตมันจง มีอันเป็นไปเป็นต้นเหล่านี้ยการคิดในลักษณะนี้แปลว่าอะไรเขาทํากรรมคือมโนทุจริตที่เป็นพยาบาทมโนทุจริตเรียบร้อยแล้วบางทีเห็นสมบัติของบุคคลอื่นเห็นทรัพย์สินของบุคคลอื่นเห็นความงดงามของบุคคลอื่นเห็นสถานภาพของบุคคลอื่นดีๆงามๆก็อยากได้แล้วก็น้อมเพ้อฝันน้อมออกมาเป็นของตนเห็นไหมเนี่ยผิดไปแล้ว ทางมโนกรรมก็ไปทำบาปก็ไม่รู้ว่าตรงนี้มันคบกรรมมาบทว่ากรรมเหล่านี้จะทำให้ตนเองวิบัติยังไงก็ไม่เข้าใจนะเพราะไม่ฉลาดเพราะไม่มีปัญญารู้เห็นเหตุและผลตามความเป็นจริงแล้วก็ชอบเห็นผิดเห็นผิดก็คิดบาปซ้าๆ้ๆซๆก็เข้าใจว่าเออบาปนี้ไม่มีผลเออเราคิดแบบนี้คนเยอะนะเข้าใจนะว่าเนี่ยเราจะโกรธใครสักคนเนี่ยมันไม่มีผลหรอก เราจะเกลียดใครเราจะแช่งชักหักระดูกในใจใครเนี่ยไม่เห็นมีใครได้ยินเพราะมันไม่ผิดกฎหมายเราอยากจะโลบเอาของใครมาเป็นของตนเองเราจะเพ้อฝันยังไงมันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายเพราะเราคิดทางใจเราอยากจะไปเกี่ยวข้องกับใครก็ได้แอบมีชู้กับใครก็ได้เราทางใจนี่เราไม่ได้ทำทางกายและวาจานี่นึกภาพใครแล้วก็เพ้อฝันว่าเออเราเอามาเป็นของเราอยู่อย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่านั้นมันเป็นอกุศลมโนทุจริต แล้วมันจะให้ผลในการที่ลงอบายทุกติวิบัตินรกยังไงและถ้าอยู่ในปัจจุบันมันจะให้ผลเราวิบัติยังไงมีโรคภัยไข้เจ็บมากยังไงมีความแตกแยกยังไงกระแสะชีวิตตนเองจะเสียหายยังไงมีทรัพย์ๆัพย์ก็จะต้องเสียหายยังไงมีบุตรมีภรรยาจะแตกแยกกันยังไงไม่รู้นะเพราะความไม่รู้น่ากลัวไหมนี่นั่งอยู่เฉยๆในเะนี่ยประเภทธรรกรรมธรรมนโนกรรมเนี่ย นั่งเจยๆนี่แหละแต่บาปกินมหันเลยอ่ะเพราะอะไรเพราะไม่ฌานฉลาดในพระธรรมคำสอนไม่มีอะไรไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่มีความเห็นที่ถูกต้องยอมเคยทำไหมถามจริงเคยไม่เคยเคยไหมล่ะเราเชื่อไหมว่าการคิดบาปคิดให้คนอื่นเขาวิบัติก็ดีน้อมลาบของบุคคลอื่นน้อมสกาละน้อมเกียรติยศชื่อเสียง ของบุคคลอื่นมาเป็นของตนเองเป็นต้นก็ดีน้อมบุตรภรรยาของบุคคลอื่นมาเป็นของตนเองทางใจก็ดีหรือว่าเห็นผิดว่ า, าการกระทาเช่นนี้มันไม่มีผลรองรับใ ด, ดๆลอกเพราะมันไม่ได้ผิดกฎหมายใดๆนี่เราคิดทางใจเราทำบาปทางใจของเรามันก็เป็นเรื่องของเราเราจะแอบคิดชั่วยยังไงมันก็เป็นเรื่องของเรากรรมนี้มันไม่มีผลเคยคิดไหมเราเคยเคยเป็นแบบนี้ไห เอาใครเป็นยกมือขึ้นที่ลองลองมาสารภาพให้พระรู้หน่อยทีเนี่ยโอ้โหไอที่ไม่ยกแปลว่าไม่เคยเลยสักนิดไม่เคยคิดเลยใช่ไหมไม่เคยขุนเครืองใครเลยไม่เคยคิดให้ใครวิบัติเลยใช่ไหมใช่เกิดมาเนี่ยตั้งแต่เกิดเป็นคนมากับเขาชาตินี้ไม่เคยคิดให้คนอื่นเลยวิบัติเลยนี่เป็นงั้นจริงรึเปล่าจริงไม่จริ ง, αι, รงเอาใครไม่เคยคิดเลยยกมือที่อยากดูหน้าจัง ไม่เคยเลยไม่เคยคิดไท่การวิบัติเลยเนี่ยไม่เคยแอบไปอยากได้ของคนอื่นมาเป็นของตนเอ ง, อ ง, อเองก็ไม่เคยไม่เคยเลยหรือโอ้สุดยอดมนุษย์เนี่ยอยากดูหน้าใกล้ๆยังเฮ้ย <c oughs> มีได้เลยแบบนี้อย่าลืมนะเดี๋ยวพูดให้ฟังว่าอย่างนี้นะมีอยู่ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้า ตอนนั้นยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ท่านไปอยู่ในป่านี่บวชแล้วนะเป็นเนกขมารมันเป็นเนกขมาแล้วนะพอไปอยู่ในป่าแล้วท่านก็เห็นพวกกวางเห็นพวกละมั่งเห็นพวกอันนี้นะหมูป่าสัตว์ป่าเก้งกวางทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นกระตายบ้างอีเห็นมันก็ัอีเห็นงตัวชมดบ้างเออเขาวิ่งหยอกล้อกันมีความสุขพอเห็นเนี่ยพอเห็นวิ่งวิ่งวิวิ่งวิ่งไปเนี่ย พระ อ, องค์มองดูว่าจิตใจช่ำชื่นมากบรรยากาศ ก, ก็งดงามสวยนะลมก็เฉยเิวแสงแดดก็อ่อนๆแล้วก็เห็นมองเขาหยอกล้อกันเล่นกันอยู่นี่นะตอนนั้นรู้สึกยินดีถามว่าความรู้สึกยินดีตรงนั้นเป็นอะไรอี่ตัณหานะนี่ตัณ ห, นะหาเกิดแล้วเคยเป็นแบบนี้ไหมเคยไม่เคย อากาศก็เย็นสบายสายสลอมก็เฉยวมีสัตว์ป่าวิ่งเล่นหยอกล้อกันวิ่งกันไปวิ่งกันมาถามว่ามีความสุขไหมชอบไหมนี่เป็นตัณหาไหมเออนี่ชอบใจแล้วนี่พระองค์รู้ทันที น, นี่นี่ตัณหาเกิดขึ้นกับเราแล้วก็รีบเนี่ยรีบสกัดรีบสกัดรีบสกัดให้เกิดความรู้ตามความเป็นจริงนะอีทีนี้พออยู่ต่อมาสักระยะหนึ่ง ก็มีตระ ก, กูลพวกเสือบ้างพวกสิงโตบ้างมันวิ่งมามันไล่เพื่อจะจับสัตว์เหล่านี้กินพระองค์เกิดความรู้สึกไงขัดเคืองขัดเคืองกรุณาสัตว์ที่มีกําลังน้อยกว่าขัดเคืองต่อสัตว์ที่มีกําลังมากกว่าที่กําลังประทุษร้ายมีความรู้สึกว่าแม้ขอให้สัตว์เหล่าเนี้ยจงวิบัติไปเถอะย่าได้มาเบียดเบียนอย่างนี้ นี่ไงพยาบาท น, นิดเดียวอย่างเงี้ยเขาเรียกพยาบาทมโนทุจริตเพราะไปคิดให้เพราะไปเกิดชันทากติอยากให้สัตว์ที่ตนเองชอบดำรงอยู่เกิดโทษาคติอยากให้สัตว์ที่ตนเองไม่ชอบนั้นจงวิบัติไปเคยเป็นไหมเคยไม่เคย อ้าวแต่นี้พระองค์ก็เข้ามาวินทบาทในเมืองตอนนั้นยังไม่ได้เป็นพรนะุทธเจ้านะก็ไปเห็นประชาชนที่เป็นอยู่กันโอ้โหยากจนยากจนมากความเป็นอยู่โอ้ยแร่นแคว้นแล่นแค้น แ, นแลวอยู่ต่อมาก็มีทั้งหน่วยงานทั้งหลายเหล่านี้มารีดภาษีเอาละเสิตัวเนี้ยรู้สึกว่าแหมกาุณา การุณาคนที่ตกทุกข์ได้ยากนี่เกิดอคติขึ้นมาแล้วแล้วเกิดเกลียดชังคนที่มาลีดภาษีว่าพวกนี้น่าจะพล น, นไปเสียเออเราเคยมีความรู้สึกอย่างนี้ไหมตรงนี้เห็นไหมว่าด้วยอกุศลบาปอากุศลธรรมมันมันลามกทั้งหลายมันจะแอบเกิดในใจตลอดแอบเกิดในใจตลอดพระองค์ว่า อันนี้แหละเป็นโทษมากถ้าเรายังมีมุมมองมีทัศนคติมีวิธีคิดแบบนี้เราไม่สามารถจะทำตนให้สะอาดเอี่ยมอ่องพองแผ่ไร้มนทินเป็นต้นได้เอวเราเคยคิดอย่างนี้ไหมล่ะ <c oughs> คิดไหมคิดอ้าวเราก็ดูในชีวิตจริงๆเราเนี่ย ฉะนั้นความคิดความตรีตรองความคิดต่างๆที่ไม่เป็นไปเพื่อที่ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็ไม่ตรึกความคิดนในทางที่ชั่วร้ายทั้งหลายเป็นต้นมีความคิดที่บริสุทธิ์อิงสัจจะอิงธรรมะในความคิดที่บริสุทธิ์มันอิงสัจจะอิงสัจจะก็คืออิงเหตุอิงผลอิงความจริง โลกใบนี้มันจริงอยู่สองอย่างนะหนึ่งจริงโดยสมมุติสองจริงโดยสภาวะจริงโดยธรรมชาติถ้าจริงโดยสมมติเนี่ยเราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นสิทธ์เป็นเนี่ยรักไหนนี้เขาเรียกสมมุติไหมสมมตไมิไมที่ว่าเราเป็นแม่เนี่ยเขาสมมติหรือเปล่าสมมติหรือไม่สมมติ มันจริงโดยสมมติใช่ไหมเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเนี่ยถ้าเราไปหาลูกเราเป็นอะไรแล้วไปหาแม่เป็นอะไรเป็นลูกเนี่ยถ้าไปหาพี่เราเป็นอะไรเป็นน้องถ้าไปเป็นน้องถ้าไปหาน้องเราเป็นอะไรเนี่ยถ้าไปหาป้าเราเป็นอะไรเราเป็นไปหาลุงเราเป็นอะไรถ้าไปหาหมอเราเป็นอะไรเป็นคนไข้ใช่ไหมล่ะแล้วถ้ามาปฏิบัติธรรมเนี่เป็นอะไร เป็นอะไรนะเป็นโยคยีโยคยีแปลว่าอะไรไม่รู้อีกไม่รู้ถามพระสิพระโยคยีไม่อยากเข้ามาโยค่ไม่อยากเข้ามาโยคาวาจรเนี่ยพวกนี้พวกปลาพวกปลาลบความเพียรปารบความเพีย ร, รยฝึกฝนพัฒนาตนเองเนี่ยต้องการที่ทำตนเองให้พ้นจากทุกข์ โยคะเนี่ยผู้ประกอบความเพียนโยคีเนี่ยต้องเพียนถูกด้วยนะห้ามเพียนผิดเนี่ยแต่ก่อนจะเป็นโยคีโยคะโยคีเนี่ยนะผู้ที่ประกอบความเพียนก่อนจะเพียรต้องรู้ก่อนหรือเปล่าถ้าไม่รู้เพียนได้ไหมพระเจ้าห้ามคนไม่รู้แล้วรีบขยันถ้ายังไม่รู้ให้ขยันเลยหรือเปล่าห้ามนะ ถ้าเรายังไม่รู้เลยว่าทางที่จะกลับบ้านไปทางไหนรีบไปก่อน ไ, ไปคิดข้างหน้าดีไม่ดีไปเรื่อยเลยมั่วเล ย, ดยเดี๋ยวนี้เก็บอกให้รู้ก่อนเห็นไหมความคิดความดํางรีความตรีตรองอิงสัจจะอิงธรรมะไม่เอน็นเอียงด้วยความเห็นแก่ตัวนะความคิดที่จะได้จะเอาหรือความคิดที่เครียดแค้นชิงชังเนี่ยมุ่งร้ายคิดทาลาย ไม่เป็นอย่างนั้นคือมันคิดออกจากการเอ็นเอียงคิดจากออกจากความกาหนัดเพิดเพลินคิดออกจากความมุ่งล้ายคิดออกจากการเบียดเบียนทั้งหลายลักษณะนี้ก็เรียกว่าสัมมาสังกประก็เรียกว่าดบริชอบหรือคิดชอบเราต้องคิดบ่อยๆไหมเราคิดกันตลอดไหมเนี่ยคิดหรือไม่คิดแล้วมันเป็นแบบนี้ไหม ได้มากดําบิแต่ละครั้งคิดแต่ละครั้งเนี่ยได้มากคิดไปในตรีตรองไปในทางที่ดีหรือไม่ดีนี่ที่มานั่งอยู่ที่เนี่ยดีไหมดีไม่ดีดีใช่ไหมสังเกตยังไงตอนนั้นสังเกตที่จิตด้วยตอนนี้จิตดีไหมจิตเศร้าหมองหรือไม่เศร้าหมองตอนนี้รู้สึกซึมซึมไหม ซึมๆงอยๆเงาๆงอๆง่วงๆเป็นไม่เป็นถ้าตอนนี้แปลว่าดำริดีหรือไม่ดีดีเรียบร้อยแล้วนะั้นเด็ดดูที่หน้าตาฟ่องใสหมดไหมหน้าตาฟ่องใสนี่แล้วเอออย่างเงี้ยดำริดีประการต่อมาคือว่าการพูดเไม่พอยํำริดเนี่ยจะเป็นปัจจัยต่อการเปล่งวาจาออกมานะการแสดงออกทางวาจาที่สุจริตไม่ไม่ทำร้ายคนอื่น เออเราจะพูดแต่ละครั้งเนะี่ยเราเคยคิดจะต้องทําร้ายคนอื่นอยู่เรื่อยไหมคิดไหมเช่นเธอต้องฟังฉันนะมันคิดอย่างนี้ตลอดอยู่ในบ้าน ก, ก็ลูกมันต้องฟังฉันสา ม, มีต้องฟังฉันพ่อต้องฟังฉันใครใครที่เหยื่อเกี่ยวข้องต้องฟังฉันเออมันคิดอย่างนี้ทุกครั้งหรือเปล่าถ้าพูดอะไรทุกคนต้องฟังถ้าไม่ฟังเดี๋ยวฉันจะโกรธดําเหลีอย่างนี้ทุกครั้งไหม ถ้าเราพูดอะไรไปเนี่ยถ้าคนอื่นเขาไม่ให้ไม่ให้ค่าไม่ให้ไม่ให้การยอมรับหรือไม่ฟังเนี่ยเขาเดินเฉยๆมึนๆเนี่ยในขณะนั้นเราจะโกรธไม่โกรธเช่นเราบอกลูกเออหยิบของให้แม่หน่อยลูกก็นั่งเฉยดูทีวีอยู่โกรธไม่โกรธโกรธใครโกรธทีวีหรือโกรธลูกบางคนโกรธต้องสองอย่างนะ โก้ทีวีด้วยนงินพันด่าทีวีนั่นเ น, นเคยเห็นไหมล่ะเพราะทีวีนี่แหละทำให้ลูกกูเสียโกดทีวีเห็นไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราคิดการพูดการแสดงออกเนี่ยที่สุดจริตไม่ไม่ทำร้ายคนอื่นตรงความเป็นจริงนะไม่โกหกไม่หลอกลวงเนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่มีสัมมาสังกัปปะ หรือไม่ฝึกที่จะทําสมาสังฆปะให้เกิดไม่ฝึกดำริชอบไม่เกิดเวลาจะเปล่งวาจาออกแต่ละครั้งก็ผิดศีลอยู่เรื่อยเลยใช่ไหมฉะนั้นตรงนี้ถ้าฉลาดแล้วดำริถูกแล้ววาจาจะออกมางดงามไหมออกมางดงามจะเป็นวาจาจริงเป็นวาจาที่เป็นประโยชน์ถูกกาดแล้วก็เป็นไปกับเมตตาเป็นไปกับกรุณาเป็นไปกับมุติตา จะเป็นอย่างนั้นนะออยอมพูดด้วยเมตตาเป็นไหมถ้าดัมเลิอย่างไรเมตตาถึงจะออกมาจากคำพูดด้าดบลิอย่างไรในขณะที่เราดํมลิดลัมิที่มีความรากักความปรารถนาดีตอนนั้นแล้วก็พูดออกมาด้วยเมตตาตอนนั้นกุศลศีลเริ่มยังรากลงลึกหรือยังยังไหม ตอนนั้นชื่อว่ากำลังพอกพูนกุศลศีลใช่หรือไม่ใช่ <N> <N> นั่นแหละตอนนั้นกำลังพอกพูนกุศลศีลข้อไหนวัจจีทุจริตหรือวัจจีสุจริตวัจจีสุจริตพระพูดด้วยเมตตาการที่จะพูดด้วยเมตตาแปลว่าต้องดำริก่อนดำริในการคิดเบียดเบียนเขาหรือไม่เบียดเบียนดำริในการที่จะโกรธเขาหรือไม่โกรธดาริที่ไม่โกรธต้องดาริไปจากใจ ไอาการที่จะตาริมาจากใจด้วยความไม่โกรธได้แปลว่ามันเห็นผิดหรือเห็นถูกมันต้องเห็นถูกก่อนมันต้องเห็นถูกต้องเห็นดีงามเชื่อกรรมเข้าใจเรื่องกรรมเข้าใจผลของกรรมเข้าใจเหตุเข้าใจผลมีความรากักความปรารถนาดีความเอื้ออาทรไ อ, อาการดําริตรงนี้มันเกิดขึ้นเมื่อดําริเบียเสร็จแล้วก็เป็นเหตุในการเปล่งวาจาออกมาลูกเอยกินข้าวนะพูดไปก็รู้สึกมันแย้มยิ้มไปนี่พูดได้เมตตา ปราถนาให้ลูกได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้าลูกเถียงมาบอกว่าไม่กินหรอกเอา้าต่อไปศีลจะต่อได้ไหมเนี่ยตอนนั้นจะคิดยังไงต่อไม่กินหรอกทำหน้างอใส่ด้วยทำไงต่อทำไงต่อทำไงต่อโกรธไม่โกรธถ้ากโกรธแปลว่าศีลเริ่มจะ มีปัญหาหรือยังถ้าสมมุติโกรธแล้วพ่วงออกมาศีลไปยังถ้าโกรธในใจนะ่ยเตรียมจะขาดนี่นะถ้าโกรธปุ๊บแล้วรลุดออกมาจากทางวาจาปุ๊บขาดหรือยังศีลแบบนี้จะต่อสมาธิได้ไหมคุณจะเดินสมาธิได้ไหมแปลว่ารากนี้มันขาดอยู่เรื่อยรากนี้มันขาดอยู่เรื่อยเมื่อต้นข้าวเนี่ยรากมันขาดมันจะเจริญงอกงามไหม ต้นไม้รากมันขาดหมดเนี่ยมันจะเจริญงอกงามไหมแล้วมันจะศีลมันขาดรากมันมันก็เป็นศีลเหลืองๆอง่ะศีลที่พิการเน่ยศีลที่ไม่เจริญงอกงามแล้วมันจะออกดอกออกผลได้ยังไงเข้าใจยังเอาอันนี้ภาคปฏิบัติก็จะต้องให้มันเกิดจริงๆนะห้ามแม้จะเล่นสมาทานศีลหนึ่ง ห้านาทีแล้วรีบเจริญสมาธิตอนนั้นเลยอันนี้รักไก่ปฏิบัตินี่ใช่ไหมเรามีจริงไหมแบบเนี้ยมันจะได้ได้ไปนิดๆเหมือนกันนะเดี๋ยวก็พังมาอยู่เจดวันเหมือนจะได้นี่แหละแต่ว่าออกไปจริงก็ไปนั่งพังอีกไม่ถึงห้าวันนะหน้าตาดําข่ําเครียดกุ้มเดี๋ยวหาโอกาสเดี๋ยวเข้ามาใหม่อีกอยู่อย่างงั้นแหละใช่ไหมเออมันรู้สึกเป็นอย่างนี้แหละ มันก็เลยอย่างเงี้ยไม่ไม่เว้นจากคนมาปฏิบัติเลยตอนเนี้ยเครียดเงีคงเออตรงนี้ก็คือมองเห็นไหมว่าเอาถ้าหากลูกเถียงไม่กินเนี่ยหน้าบึ้งด้วยทำเงางอด้วยกระทืบเท้าอีกต่างหาตอนนั้นจะคิดยังไงต่อจะดําบลียังไงจะดําบลียังไงตอนนั้นจะมีความรู้สึกโกรธลูกหรือกรุณาลูกจะโกรธหรือกรุณา ถ้าโกรธก็แปลว่าจะคิดเบียดเบียนไหมจะคิดเบียดเบียนลูกใช่ไหได้วยคำพูดด้วยการกระทำมีไม้เป็นต้นจะตีตอนนั้นทำไงดีตั้งกรุณาในใจอ้เด็กน้อยอ้เด็กน้อยนี่ไม่รู้เหตุและผลเนาะน่ากรุณาแท้ตอนสมัยเป็นเด็กเราก็เป็นเช่นนี้เนาะเนี่ยอูู้ไม่รู้เหตุไม่รู้ผล ยังมาปรทุษร้ายผู้มีคุณผู้เป็นแม่หน้ากรุณาแท้ๆเลยอ่าพอฟอนึกอย่างนี้แล้วปลอบโยนต่อไหมปลอบโยนหรือไม่ปลอบโยนก็พูดโดยกรุณาจากเมื่อกี้เมตตาเนี่ยเปลี่ยนสถานภาพเปลี่ยนหน้าหรือยังเปลี่ยนจากเมตตาเป็นกรุณาเอาหน้าพรหมมาเปลี่ยนดันดียังใช้เมตตาอยู่ไม่ได้ใช้กรุณาแทนใช่ไหมกรุณาก็สงสารคิดจะช่วยเขาพ้นจากสถานภาพตรงนั้น ก็พูดด้วยความอ่อนโยนว่าลูกทําไมทําอย่างนี้เล่าลูกทําไมกระทืบเท้าทําไมทําไมทําหน้าบูดบึ้งอย่างนี้แล้วมันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตนะลูกนะอีกเป็นกรุณาไหมเอา้าลูกหันมาทบตีเราอีกไม่กินไม่กินก็เห็นเด็กบางคนไหมทบเราใหญ่ตอนนั้นเราทําวางแผนไงต่อวางแผนไงต่อใช้ตัวไหนต่อ อะไรใช้ยังไงต่อใช้ไม่เป็นแล้วเราใช้เป็นแต่ไม่เลี้ยวกดะด่าเนี่ยเนี่ยดูดูแล้วเนี่ยใช้เป็นแต่ว่าจีทุจริตใช่ไหมว่าจีสุจริตจริ ง, รงๆใช้ไม่เป็นนะเนี่ยนี่หรือผู้มีศีลอุ้ยอันนี้เรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นนะใช่ไม่ใช่ก็ก็ก็ปรับใจกรุณายอีกครั้งหนึ่งปรับใจกัาอียครั้งเมื่อกี้ประถมแล้วต่อไปก็ทุติใช่ไหม ครั้งที่สองไงก็ใชมครับครั้งที่สองเออก็การุณาต่อก็จับแขนเข้ามาบอกลูกอย่าทำอย่างนี้นะไม่งดงามเลยเห็นไหมหน้าก็หยิกงอกิริยาก็เหมือนกับกุ้งถูกน้ำร้อนหรือผินเหมือนไส้เดือนคุกฝุ่นเลยนะไม่สวยเลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเด็ลูกแม่เนี่ยหน้าตาต้องสวยสิก็ใช่ยัง เดี๋ยลูกแม่ในหน้าตาต้องสวยอันนี้เห็นที่โกรธขึ้นมาหน้ากาังิกเห็น ไ, ไหมเผาหมดแล้วนี่เห็นไหมโกรธขึ้นมาเนี่ยไอ้ไฟคือความโกรธก็เผาใจของลูกนะตอนนี้กิริยาท่าทางของลูกที่เคยงดงามปัณณนี้เหมือนปีศาจมาเข้าสิงลูกตรงนี้ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ใช่ไหมใช่ปอบโยนเข้าเนี่ยเขาเขาเอาใหญ่เลยตอนเนี้ยงองแงใหญ่แล้วเพระาะเขาาไม่เคยเห็นท่า น, นี้กับเราใช่ไหมเรามีแต่ขูเขข่เขาขู่เขาใช่ไหม ถ้าท่านี้เขาเริ่มได้ใจแล้วเออไอ้อนี้อ่อนให้เราเน่ฉะนั้นเราจะต้องมีปฏิกิริยาธรรมชาติครั้งกิเลสจะเป็นอย่างนี้แหละเขาจะต้องชนะเราให้ได้เขาจะต้องงอแงจะไม่กินอะไรต่างสารพัดหมดแล้วเอา้าทําไงต่อตรงนี้แหละหนึ่งจะเมตตาไม่ได้สองจะกรุณาต่อไปก็ไม่ได้จะมุทิตาพอยินดีที่เท้เาทําเอาไม่ถูกแล้ว ตรงนี้คือการวางเฉยวางเฉยด้วยทาทีที่เป็นไปกับปัญญาบอกเออถ้าจะแก้ได้ต้องวางเฉยเงียบสงบแล้วก็บอกว่างั้นงั้นลูกไม่กินก็ไม่เป็นไรพูดโดยปัญญาแล้วงั้นการไม่กินก็จะกระทบต่อชีวิตของลูกเองต่อไปลูกก็จะเป็นคนสุขภาพไม่ดี คุณภาพชีวิตก็แย่กรรมคือการกระทําของลูกก็จะให้ผลลูกนะและจะไปบอกว่าแม่ทําไม่ได้แม่วางใจแล้วนะแม่ตัดใจแล้วนะถ้าความทุกข์เกิดกับลูกโรคภัยไข้เจ็บเกิดจากลูกกับลูกคุณภาพชีวิตของลูกไม่ดีคุณภาพชีวิตของลูกแย่ผอมมีโรคภัยไข้เจ็บไปโรงเรียนหิวเรียนกับเขาไม่รู้เรื่อง กรรมที่ลูกทำก็จะส่งผลของลูกเองไม่ใช่แม่ทำงั้นก็แม่ก็วางใจแ ล, แล้วเราก็ทำกิจของเราเค่าวางเฉยเฉยเฉยมยหรือเฉยมองเฉยเมยหรือเฉยมองถ้าเฉยเมยเป็นอัญญาโุเปกขาเป็นโมหะอันนี้ไม่ใช่อุเกขาแท้แต่ถ้าเฉยมองวิจัยพิจารณาแยกแยะอันนี้พิจารณาด้วยเหตุผลตามความเป็นจริงกุโลศีลดีไห กุศลศีลเราดีไหมแปลว่าเราปักลากของกุศลศีลลงในกระแสชีวิตเราหรือยังลงหรือยังลงแล้วแล้วก็ฝึกฝนพัฒนางนี้บ่อยๆสถานการณ์เหตุการณ์มันจะมาอย่างเดิมตลอดไหมไม่มันเปลี่ยนแปลงตลอดฉะนั้นเราก็จะต้องยักย้ายในการที่จะทํากุศลศีลให้มันแข็งแรงให้มันคงยิ่งๆ่งแล้วความชาญฉลาดจะยิ่งเกิดขึ้นไหมความชาญฉลาดในการรักษาศีลจะยิ่งเกิดขึ้นเกิดขึ้น นักเข้านักเข้าเราจะเป็นคนที่มั่นคงในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อแล้วเวลาฝึกสมาธิขึ้นปื๊ดได้อย่างดีเลยเขาย้าใจยังนี่วาจายกมาหนึ่งตัวอย่างเคยทำแบบนี้ไหมเวลาเจริญกุศลศีลนะ่ะฉะนั้นยิ่งเจออุปสรรคแปลว่ายิ่งดีหรือไม่ดียิ่งดี เพราะเราเป็นผู้ที่เตรียมพร้อมในการที่จะปรับทํากุศลศีลให้เกิดขึ้นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อแล้วเจอปุ๊บแหมดีเหลือเกินบททดสอบนี้ดีเหลือเกินเราจะได้ฝึกกุศลศีลข้อนี้เจอแต่ละเรื่องโอ้โหดีเหลือเกินเวทีทดสอบศักยภาพทดสอบความสามารถที่จะทํากุศลศีลให้เกิดแต่ละเรื่องที่เกิดขึ้นต้องฝึกมะต้องฝึกให้มีให้เกิดขึ้น ไม่ทําอย่างนี้ศีลจะ ม, จมีจริงหรือไม่จริงหรือไม่จริงเอาถ้าไม่เดินอย่างนี้ไม่ฝึกอย่างนี้ศีลมันเข้ากับความมันวิ่งเข้ า, า ม, มากับความฝันได้ไหมได้ไหมนอนเฉยๆเวลาสมาทานเแบบสเตดตปุ๊บเนี่ยศีลมันวิ่งเข้ามาในตัวแล้วมันหมุนหมุนจนชีวิตของเรานียงามเอี่ยมอ่องผ่องแผ้วไร้มนทินเลยมันออกไม่ไดจ้จริงไหม จริงไหมจริงแล้วสมาทานกันมากี่ร้อยครั้งแล้วโยมเริ่มรักษาศีลแต่ยุเท่าไหร่ตั้งแต่ยุเท่าไหร่สิบเก้าใช่ไหมแ้ฮะกี่ปีแล้วเจ็ดปีแล้วปีละเท่าไหร่ปีละสร้อยหสิบห้าวันเอาเจ็ดไปคูณส7 5อยเจ็ดสิบห้าออสามอหห้า เป็นกี่วันแล้วถามว่าถ้าเราปลูกต้นมะพร้าวเนี่ยเจ็ดปีได้กินลูกหรือยังได้กินลูกหรือยังปลูกมะม่วงปลูกขนุนปลูกน้อยนาปลูกทุเรียนเนี่ยเจ็ดปีเนี่ยไปออกดอกออกผลหรือยังพพุทธเจ้าบอกว่ารักษาศีลเจ็ดปีเจริญสมาธิเจ็ดปีเจริญปัญญาเจ็ดปีในบรรลุเห็นไหม เวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีนะบรรลุนะแล้วทําไมแม่ได้ผลอย่างนี้ลนะ่ะทำไมไม่ได้ล่ะเพราะมันเพราะไม่ได้ทําอย่างนี้หรือเปล่าไม่ไทําอย่างติดต่อต่อเนื่องไม่ได้ฝึกฝนอย่างนี้หรือเปล่าใช่ไหมเหมือนเราปลูกมะพร้าวทิ้งอะ่ะปลูกมะม่วงแล้วก็ทิ้งอะ่ะถึงวันพระทีก็นั่งมาัาปลูกใหม่อยู่เลย มาถึงก็มายังพันเตวิสุงวิสุงลักขณท า, ายาติสระเนพูดเพาะเพาะยอมเนี่ยปัญจศีลานิยาจามิโอ้โหพากันนะโมตัสะแล้วก็ทนะโมท่องเสร็จอ้าวจบแล้วต่างคนต่างไปกลับไปไปที่โลกโหเกลียวกราดเหมือนเดิมเออมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมรักษาศีลเจ็ดวันจเจริญสมาธิเจ็ดวัน แล้วก็เจริญปัญญาเจ็ดวันบรรลุมีรักษาศีลเจดเดือนเจริญสมาธิเจ็เดือนเจริญปัญญาเจ็เดือนบรรลุก็มีรักษาศีลเจดปีเจริญสมาธิเจ็ดปีเจริญปัญญาเจ็ดปีบรรลุก็มีมญญมนี่อย่างยังยังยังมากใช่ไหมเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจดปีนี่เห็นผลหรอย่างเนี่ยนี่เราก็ได้ไปนั่งกันหลับหลับตื่นตื่นไปนี่แหละ เข้าใจได้ยังแต่เนี้ยแม้กว่ากว่าเราจะมองเห็นอันนี้แค่แค่ให้เข้าใจน้อมตามว่าเออเป็นควรจะเป็นอย่างนี้ก่อนนะวิธีการเนี่ยใช่ไหมไอหลักการเนี่ยบอกน่าจะไม่ค่อยยากแต่วิธีการเนี่ยที่จะเจริญยังไงเพราะชีวิตแต่ละบุคคลเนี่ยเจอเหตุการณ์เหมือนกันหรือไม่เหมือนไม่เหมือน บางคนก็เจอสีที่น่าชอบใจไม่ชอบใจเสียงที่น่าชอบใจไม่ชอบใจกลิ่นที่น่าชอบใจไม่ชอบใจรสที่น่าชอบใจไม่ไม่ชอบใจสิ่งที่กระทบทางกายที่น่าชอบใจและไม่ชอบใจเรื่องราวต่างๆในชีวิตที่ผ่านมาน่าชอบใจและไม่ชอบใจแล้วจะทำยังไงเนี่ยแล้วพวกคุณจะทำกันยังไงจะทำไงดีอันนี้ยกหนึ่งตัวอย่างพอไหมพอไม่พอ โอ้โหยังให้ยกกี่ตัวอย่างยังให้ยกกี่ตัวอย่างนี่กระแสชีวิตจริงๆมันต้องฝังให้มั่นคงยอมสังเกต ด, ดูว่าศีลข้อที่หนึ่งคือสภาพที่งดเว้นจากการฆ่าใจที่เป็นไปกับเมตตากรุณาหรือมุทิตาเป็นต้นข้อเนี้ฝังลงลึกแล้วหรื อ, อยังฝังในกระแสชีวิตเราเนี่ยมั่นคงหรื อ, อยัง มั่นคงแล้วแม่งมั่นคงสังเกตได้เคยโกรธคนไหมโกรธไม่โกรธนี่ก็แสดงปรารถนาคิดปาทดจะร่ายคนนะเคยคิดให้คนที่ชั่วๆในความรู้สึกของเราวิบัติไหมคิดไม่คิดนี่หรือว่าศีลข้อหนึ่งมั่นคงอะ่ะมันยึดโยงกับใจนะศีลมันอยู่ที่อยู่ที่ใจแล้วมันจะปลูก อธยาศัยคือกายกรรมวิจีกรรมทั้งหลายเนี่ย บ, บุคลิกภาพทั้งหลายเนี่ยให้มีความมั่นคงนะให้มีความมั่นคงจริงๆนะก็แปลว่าตรงนี้ยอมก็จะต้องมาฝึกให้มีให้เกิดจริงๆนะเอางี้ว่าเที่มาร่วมกันทั้งหมดยอมยอมเคยคิดถึงกันหมเคยปฏิบัติคยเคยคิดถึงเพื่อนร่วมปฏิบัติด้วยกันไหม คิดแล้วเป็นยังไงเมตตาไหลเนืองแน่นไหลเนืองแน่นไม่หยุดเลยเหมือนน้ำทะลักออกจากบ่อเป็นไงั้นไหมหรือมันไม่ออกเลยเมตตาออกไม่ออกเวลานั่งคิดถึงใครรู้สึกโอ้โหชื่นช่ำใจปลาโมดเกิดเมตตาไหลขอให้เขามีความสุขนะเบื้องต้นจริงๆดำริยังไงดำริว่า ถ้าสัมมาสังกปรานี่นะดำหลี่ไงดํหลิดหํดหลิที่เบียดเบียนเขาหรือไม่เบียดเบียนดำหลี่ปรทุสร้ายเขาหรือไม่ปรทุสร้ายเห็นไหมดำหลี่ยังไงดำหลี่ว่าเรามีศีลหรือไม่มีศีลเราเป็นผู้มีกุศลศีลข้อแรกเนี่ยเกิดขึ้นในกระแสชีวิตแล้วเราเป็นผู้ที่ มีศีลมีกัลยาณธรรมแล้วคิดอย่างนี้ไหมเรางดเว้นจากการฆ่ามือของเราไม่แปดเปื้อนเราวางศาส ต, ตร์ตาวุธทุกชนิดเราไม่คิดเบียดเบียนใครเลยอย่าว่าแต่การกระทำทางวาจาทางกายเลยแม้ทางใจเราก็ไม่เบียดเบียนใครเลยอย่าว่าแต่มนุษย์เลยแม้สัตว์มีชีวิตทุกจำพวก อยู่ต่อหน้าเราเมื่อเกี่ยวข้องเราท่านทั้งหลายจงปลอดภัยได้ท่านทั้งหลายจงไว้วางใจได้ว่าเราไม่ใช่เป็นผู้เป็นสัตว์ที่โหดร้ายโหดเทียมแล้วเพราะเราได้วางสตราวุธวางจิตใจที่คิดเบียดเบียนคิดฆ่าคิดประทุษร า, ายแล้วยมคิดอย่างนี้ไหมดําหลีแบบนี้ไหมดําหลีหรือไม่ดั่หลีมีเจตจานงมีความจงใจในการที่จะตั้งใจดั่หลีอย่างนี้ไหม ถ้ายอมดำบิแต่ละครั้งแปลว่ายอมกําลังขยับอะไรขยับเสาเข็มมตอกเสาเข็มลงไอ้หลักเนี้ยเพื่อจะปลูกปูพื้นฐานขึ้นสู่สมาธิขึ้นสู่ปัญญาทั้งหลายเหล่านี้ยยมกําลังปักลงไปดินมันยังดินมันไม่ค่อยแน่นนะยอมต้องปักเรื่อยๆไหมจนมันมั่นคงไหมต้องปักให้มั่นคงจนมีความรู้สึกว่าเห็นใครแล้วไม่คิดเบียดเบียนเขาแล้ว เห็นใครในโยมไม่เคยคิดโหดร้ายกับเขาเลยขนาดนั้นแหละอย่าว่าแต่เห็นคนเลยแม้แต่เห็นอบายสัตว์สัตว์เดรัจฉานเห็นคนต่างชาติต่างสีผิวก็ไม่เคยคิดเบียดเบียนเขาเลยเห็นเขาบอกไอ้คนนี้มันเป็นโจร น, นะคนนี้มันเป็นคนไม่ดีนะคนนี้เป็นคอร์รัปชันปนกี้นะคนคนนี้โกงกินมะเลยอ๋อก็เขาก็ล้าสู่เกียรติทุกัน เรื่องอะไรเราจะไปคิดเบียดเบียนเขาเขากลักชีวิตเขาก็อยากมีชีวิตยืนยืนยาวเขาก็อยากได้รับการยอมรับดูที่เนี่ยปรงใจได้ขนาดนั้นเนี่ยอันนี้ถือว่าชัดเจนไหมถ้าทำได้ขนาดนี้ถามว่าชีวิตของเราต้องฝึกไปจนถึงขนาดนั้นไหมฝึกไม่ฝึกหรือเราจะเจริญแบบกรรมฐานแบบแคบแคบ ห้ามออกจากห้องนี้ถ้าออกจากห้องนี้แล้วฉันจะกรรมฐานฉันจะพังเราจะเจริญกรรมฐานแบบนั้นไหมหรือกรรมฐานแบบไหนเราจะเจริญกรรมฐานเพื่อประเชิญอยู่ในโลกความเป็นจริงหรือจเจริญกรรมฐานเพื่อหลบเหมือนตัวชมดหลบอยู่ในป่าอยู่ในโพรงไม้เราจะเจริญกรรมฐานประเภทไหนเราจะต้องกล้าไปไประเชิญกับโลกตามความเป็นจริงใช่ไหม ฉะนั้นเมื่อกล้าจะไ ป, ปะเผชิญกับโลกตามความเป็นจริงเนี่ยตัวกุศลศีลต้องแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงต้องแรงงานเจรนาศีลต้องชัดต้องดําริในการทําเจกจํานงให้เกิดขึ้นที่ดีงามและในขณะเดียวกันก็คือขับจัดความโลภใช่ไหมเพราะความโลภนี่แหละเป็นเหตุทําให้เรารู้สึกโกรธคนอื่นก็ได้อยากรักทรัพย์ของเขาก็ได้ประพฤติ ผ, ผ, ผิดในการเป็นต้นก็ได้อยากโกหกเป็นต้นก็ได้ ฉะนั้นไอความโลภที่มันเกิดขึ้นในใจนี่แหละต้องดาริในการที่จะกาจัดมันกาจัดความโลภคนอื่นหรือความโลภของเราเออความโลภของเราแลไรต้องดำริในการกำจัดดำริในการที่จะออกว่ามันไม่ดีจริงเราจะเราจะเราเข้าใจเหตุและผลด้วยสมาธิที่ถูก ต, ต้องแล้ว เราไม่จําเป็นที่จะต้องไปโลภทยานอยากอยากได้ของคนอื่นมาเป็นของตนเองด้วยการแห่งแห่งขโมยหรือด้วยการแห่งการที่ไม่ชอบทําลอกทุกอย่างเหล่านี้มันมาจากเหตุปัจจัยเมื่อเราสร้างเหตุถูกมันก็ได้เรื่องทรัพย์เนี่ยไม่ไม่ไมยากจเจริญทานกุศลเป็นลงทุนเป็นทําธุรกิจเป็นทําสิ่งที่ดีงามเป็นกุศลเหล่านี้มันก็ให้ผลด้วยความเป็นทรัพย์แล้วอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมรู้เหตุรู้ผลก็เลยดลําบีถูก ไม่จาเป็นที่ต้องดำริไปอยากทะยานอยากได้การของบุคลบคลอื่นวัตถุของบุคคลอื่นมาเป็นของตนเองพอไม่ดำริอย่างนี้ไปว่าความคิดเริ่มปลอดภัยหรือยังการดำริกก็ปลอดภัยเมื่อปลอดภัยเบีเสร็จก็ฝังตัวกุศลาศีนไว้ในกระแสชีวิตได้แล้วบอกอ๋อทำไมเราจึงโกรธคนนี้เพราะเราโลภนี่เองเราโลภเช่น เราได้ข่าวว่าคนคนนี้ว่าเกิดมามันโกงเฮ้ยไม่ได้มันโกงทรัพย์สินของประเทศไปสมมติสมสมตินะพอเราโลภิเบษเสร็จไอเราเป็นคนไทยไม่ได้แล้วแล้วถูกปลุกฝังให้เป็นคนไทยใช่ไหมปลุกปลกฝังให้เป็นคนไทยถ้าไปเกิดที่กัมพูชาเราจะถูกปลุกฝังให้เป็นอะไร เนกัรบูชาถ้าเกิดในประเทศเราจะถูกปลูกฝังให้เป็นถ้าเกิดที่มาเลเซียก็จะถูกปลูกฝังให้เป็นมาเลเซียเกิดที่สิงคโปร์ก็จะถูกปลูกฝังให้เป็นสิงคโปร์เนี่ยมนุษย์อย่างเงี้ยเขปลูกฝังอะไร ก, ก็นคิว่าเป็นจริงๆมึนนะใช่ไหมล่ะเาขาปลูกฝังอะไรไม่ได้ลเลยแล้วคิดว่ามันเป็นจริงๆตอนเกิดใหม่รู้เคยรู้ไหมว่าตอนนี้เป็นคนไทยเนี่ยรู้ไหมไม่รู้หรอก เขาเคาคอยยังไงคอยมีชีวิตอยู่ก่อนรีบหายใจก่อนไอ้เรื่องเป็นเป็นหญิงเป็นชายยังไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมพ่อชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรก็ไม่รู้หรอกเขามาให้เราท่องที่หลังหมดแหละตอนเนี้ยแต่พอโอ้ยพอมามาถูกปลูกฝังปลูกฝังปลูกฝังโหยึดมากเลยตอนนี้ยยึดเยอะไหมมากจริงๆรตอนนี้ยพอโตขึ้นมาก็ปลูกฝังให้เป็นแม่ก็นึกว่าเป็นแม่จริงๆปลูกฝังให้เป็นลูกก็นึกว่าเป็นลูกจริงๆนะ มันจนกลายเป็นเป็นเนื้อเป็นตัวไปเลยตอนนี้ยกลายเป็นว่าพอไปเป็นแม่ก็เลยลืมแม่เดิมไปเลยนี่เพราะเขามันท่องมากเหลือเกินฉันเป็นแม่ฉันเป็นแม่ไงลืมท่องไปว่าฉันเป็นลูกเลยปฏิบัติหน้าที่ความเป็นลูกไม่เป็นซะอีกใช่ไหมเอาบางคนพอไปทํางานนะลืมความเป็นแม่ลืมความเป็นลูกลืมความเป็นเพื่อนแล้วเฮ้ยฉันเป็นผู้จัดการฉันเป็นผู้จัดการก็ไปท่องท่อท่อท่อ มึงกนไปสอนหนังสือฉันเป็นครูฉันเป็นหูเฮ้ตายแล้วอันนี้เขาให้รู้หน้าที่เพื่อจะทําให้มันถูกแต่ไม่ใช่ให้ยึดในหน้าที่เพื่อจะเป็นอัตราตัวตนใช่ไหมโอโ้โหยากไหมการที่เราจะหายมืนเนี่ยยากไหมยากมนุษย์คนหนึ่งจะหายมืนได้เนี่ยยากไหมยากมหมยากยากไหมยากยาก แต่การเข้าหาพระพุทธเจ้าเนี่ยถูกแล้วถูกแล้วเชื่อไหมพระพุทธเจ้าทำให้เราหายมึนงงได้นี่แหละการอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าเนี่ยประเสริฐและเลิศตรงนี้แหละตรงที่เมื่อเราเข้าอยู่ใกล้ท่านมากๆท่านก็จะขจัดความมึนความหลงความไม่รู้ได้นั้นสัมมาสังกปะ ดำริชอบดำริถูกต้องดำริดีงามดำริในการที่จะไม่ติดดำริในการที่จะไม่พยาบาทดำริในการที่จะออกไม่เบียดเบียนคนอื่นถามว่าต้องฝึกคิดไหมต้องฝึกดำริให้ถูกไ้ยเพราะอัธยาศัยของสัตว์โลกนี่ดำริผิดหรือถูกเดินไป เดินไปไปเจอคนที่ไม่เคยรู้จักเนี่ยเห็นเขาปุ๊บครั้งแรกเราจะตำลีดีหรือไม่ดีโดยส่วนใหญ่ <c oughs> ถ้าเห็นมีคนคนหนึ่งเดินมาที่บ้านเราเนี่ยมาเคาะประตูทั้งไม่รู้จักเลยเราจะมีความรู้สึกดตำลีในการหวาดระแวงเขาหรือตำลีในการที่จะไม่หวาดระแวง <c oughs> เห็นไหม <c oughs> นี่เรามันดตำลีไม่ดีมาอย่างเป็นอธัธยาศัยแล้ว ถ้าดําริผิดศีลมันก็ไม่เกิดเห็นไหมลองไล่องค์มาร์ดูทีสัมมาทิฏฐิแล้วเขมาสัมมาสังกปะแล้วถึงมาสัมมาวาจาสมมากรรมตะเห็นไหมสัมมาวาจานี่เป็นศีลนี่สัมมากรรมตะเป็นศีลนี่สัมมาชีวาเป็นศีลนี่ใช่ไหมอันนี้มาจากการดําริที่ถูกทั้งนั้นตัวกุศลศีลจึงจะเกิดขึ้นในกระแสชีวิตในพฤติกรรมได้จริงถ้าดําริผิดแล้วไปไม่เป็นเนี่ยนั่งหมอบอยู่แถวนี้แหละ เนี่ยเข้านเนาจะเฉลิมเนี่ยมาจะสอนสมาธิก็ได้ไม่ยากเลยนะถ้าพวกเรามั่นคงตรงนี้ดีๆอ่ะเวลาพระเจ้าจะแสดงกรรมกฐานนะพระเจ้าแสดงอะไรก่อนทานศีลใช่ไหมแล้วก็อธิสงของทานและศีลสวรรค์แล้วก็เรื่องกามโทษของกามแล้วก็ลงรอยกรรมฐานนะพระเจ้าสอนกรรมฐานอย่างนี้นะเขาเรียกลำดับ ถางจิตไม่อ่อนโยนยอมเนี่ยถ้าหากยอมที่มานั่งวันนี้นะหรือที่มาฝึกในครั้งนี้ถ้าจิตของโยอมไม่อ่อนเนี่ยนะถ้าจิตไม่อ่อนโยนไม่รู้จะเดินกรรมฐาน ย, ายังไงเดินไม่ไปเลยมันแข็งมากนั่งกรรมฐานก็นั่งแบบเครียดเครเห็นไหม ย, ยมนั่งเครียดนเข้านเขาก็ไม่พองหรอกไม่พองสายนี่นไปอย่างนั้นเหลือชั่วโมงเดียวเอง พูดสีนได้แค่นี้แหละที่จริงเอามาปราถนาให้พวกเราฝึกให้ได้นะที่พูดทั้งหมดทีนี้การการพูดสังเกตดูนะการพูดที่ไม่การพูดการพูดที่ไม่ทำร้ายคนอื่นการพูดตรงความเป็นจริง ไม่โกหกไม่หลอกลวงเนี่ยไม่ส่อเสียดไม่ให้ร้ายป้ายสีไม่หยาบคายไม่เหลวไหลนี่นะไม่เพอ้อเจอ้อเลื่อนลอยแต่สุภาพนิ่มนวลชวนให้เกิดไมตรีให้เกิดสามาคัคคีถ้อยคำที่มีเหตุผลเป็นไปในทางสร้างสรรค์ก่อประโยชน์ไอที่เป็นสัมมาวาจาจะเกิดได้ต้องมาจากการำํำริที่ถูก ถ้าดำหลี่ไม่ถูกนะมันจะไปเสแสร้งแกล้งพูดเสแสร้งแกล้งพูดศีลจะไม่เกิดจริงสังเกตดูนะเช่นเวลาเราเวลาเราทำงานตามปกติเนี่ยเราจะไม่ค่อยดำหลี่กันหรอกเราจะพูดตามประเพณีเราเห็นใครบอกว่าเจอหน้าสวัสดีนะน้อง่โอ้โหไม่ได้เจอทั้งนานคิดถึงจังเลย เคยเป็นไหมเคยเห็นคนพูดกันแบบนี้ไหมเราจะรู้ได้ไงว่ามาจากการดํำบีที่ถูกอามะจะรู้ได้ไงว่ามาจากการดํำบีที่ถูกฉะนั้นถ้ามันพูดไปแบบมนึมนๆง ง, งๆเนี่ยไม่เย้ไม่ออกมาจากตัวกุศลศีลที่มีสัมมาสังกปะเป็นตัวเป็นฐานในการดําบีนะมันพูดตามประเพณีตามตา ม, ตามวัฒนธรรมไปเลย ฉะนั้นคนที่จะฝึกทําให้ตัวสัมมาวาจาเกิดได้ยริงเนี่ยนะพูดไม่โกหกเนี่ยไม่หลอกลวงเนี่ยไม่พูดให้คนแตกสามัคคีกันไม่พูดทําร้ายใครนะไม่พูดเลวไหลเพ้อเจอ้อแต่เป็นพูดที่นิ่มนวล น, น่าฟังเป็นประโยชน์เหมาะแก่การแล้วพูดด้วยเมตตาทั้งหลายเหล่านี้ที่จะเป็นคุมศีลทั้งหมดเลยเนี่ยนะมันมาจากการดําริที่ถูกเห็นไหมดำบิตที่ถูก ให้สังเกต ด, ดูนะพระพุทธเจ้าเนี่ยฝึกจนเป็นเนื้อเป็นตัวแล้วตอนนี้นางจินจมันนวิกาที่ไปชี้หน้าด่าพระพุทธเจ้าตรงเชตวันเนี่ยบอกว่าพระพุทธเจ้าทำนางท้องอะไปชี้หน้าด่าใช่หมมัวแต่เทศสอนคนอื่นลูกในท้องจะว่ายังไง <c oughs> ทำไมไม่บอกอนาถาปินิกาทำไมไม่บอกอบมหาอุบาศิกาวิสาขาจะได้จัดการเนี่ยท้องก็ใกล้จะคลอดแล้ว อย่างนี้นะพระเจ้าก็พูดด้ว ย, ด, วยด้วยยิ้มแย้มนี่นะพระเจ้าบอกดูก่อนน้องหญิงไอ้เรื่องท้องหรือไม่ท้องเราสองคนรู้กันเอาอย่างเงี้ยเออถ้าเป็นสมมติพระนี่นะท่านมานั่งบนนี้แล้วมียอมไปชี้หน้าชี้หน้าท่านแล้วก็บอก ว่ายังไงมัวเทศอยู่นี่แหละไอเรื่องลูกในท้องนี่จะว่ายังไงถามว่าพระจะเครียดกินขึ้นมาทันทีไหมเครียดไม่เครียดพฮ้รู้ได้ยังไงยังยังไม่ได้เห็นท่านเลยท่านอาจจะฝึกมาดีก็ได้ใช่ไหมล่ะถามว่าท่านจะปากสันน<笑><笑>กส่นไหมจะมีคนปากสั่นไหม มีคนมามาประทัตนลายเหมือน น, น, นนั่นเลยท่านจะพูดค่อยๆพูดพูดอย่างยิ้มแย้ม <c oughs> เห็นไหมคนที่ฝึกสัมมาวาจาแล้วนหนึ่งจะพูดนิ่มนวลชวนให้ชวนหน้าฟังแล้วก็เป็นประโยชน์ด้วยเหมาะเหมาะแก่คนเหมาะแก่การด้วยแล้วก็พูดด้วยเมตตาพูดด้วยกรุนา<อ>พระเจ้ารู้เนี่ยพระเจ้าดูก่อน กินจะมาดินาวิกาดูก่อนน้องหญิงไอ้เรื่องท้องหรือไม่ท้องเนี่ยแต่ถาคตกับเธอเนี่ยรู้รู้กันใช่ไหมคนอื่นจะไปรู้ได้ไงใช่ไม่ใช่ก็เนี่ยพระพุทธเจ้ากับคนที่มาโจทย์เนี่ยรู้ไอ้ผู้หญิงโกรธไหมแทนที่พระเจ้าจะกรดใครโกรธผู้หญิงก็กโกรธกอดก็ดิ้นใหญ่พอดิ้นถ้าพากหนึ่ง ไอ้อไม้ที่มัดเขาไว้ก็หลุดลงมาเง น, นี้เรื่องเรื่องแตกนี่เป็นต้นว่าไงโยมตุวีชายเคยเจอเหตุการณ์นี้ไหมล่ะเคยไม่เคยเคยไหมเคยเจอเหตุการณ์คนมาชี้แบบนี้ไหมเคยไหมไม่เคยนะนึนกว่าเคยถ้าคนฝึกสัมมาวาจามา แล้วมาจากการดาริชอบมาจากสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงยานปัญญารู้ว่าเราไม่ได้ทำบาปไม่ได้ทำาทุเจดิตใดๆเลยจะกลัวอะไรมีอะไรบ้างที่จะต้องกลัวมีอะไรต้องต้องบาดสะดุง้งมีไหมไม่มีหรอกเพราะว่าอัยาริยของตนเองเนี่ยสั่งสมมารู้อดีตรู้อนาคตรู้ปัจจุบันรู้คนอื่นชาญฉลาดขนาดนั้นแล้วเนี่ย ก็เป็นคนที่สะอาดเอี่ยมอ่องผ่องแผ้วไร้มนทินกายก็สะอาดวาจาก็สะอาดใจก็สะอาดเห็นไหมจะไม่โกรธในยุคนั้นก็คือตอนที่เดรัทีฆ่านางสุนทรีก็ไปฝังไว้ที่รั้วเชตวันก็พากันประกาศว่าเนี่ยเอาศพนางแห่ไปล้รอบเมืองก็นี่แหละประท้วงกันทั้งเมืองอย่างนี้แหละปะท้วงหมดด่าพระพเจ้าด่าสาวกพระเจ้าดูที่เนี่ยไปทําผู้หญิง ปทุสล้ายผู้หญิงแล้วกลัวเรื่องจะแดงก็ฆ่าฝังไว้ที่เชตวันอุยชาวบ้านกันโจดขานกันไปทั่วพระไปบินทบาทนี่โดนด่ากันเป็นแถวเป็นแนวหมดแหละในเมืองในโดนด่าเป็นแถวเป็นแนวหมดเห็นไหมพระท่านถูกฝึกมาดีจากสัมมาวาจาสัมมากรรมตะนี่นะสัมมาชีวะแล้วก็มาจากสัมมาทิฏฐิที่เห็นที่ถูกต้องเข้าใจเหตุเข้าใจผลเข้าใจกรรมผลกรรมตําหนิถูกต้องก็มาเฝ้าพระเจ้า ถามพระเจ้าก่อนว่าเอ๊ะเนี่ยเรื่องมันเกิดขึ้นเต็มไปหมดเนี่ยเขาด่าพะทั้งเมืองเลยเนี่ยทำไงพระเจ้าก็บอกว่าเอาพวกเธอให้พูดอย่างนี้คือพูดคำเดียวนี่พูดให้เหมือนกันแค่นั้นแล้วไปบิณฑบาตเหมือนเดิมอะ่ะอย่าสะทกสะทานอย่าหวั่นไหวแล้วให้ไปพูดคำเดิมบอกว่าบอกว่าคนทำชั่วเนี่ยแล้วไปบอกว่าตนเองไม่ได้ทา เนี่ยมาแล้วตนไปบอกตนเองไม่ทำใช่ไหมไอ้ ก, กรรมคือความชั่วนั่นแหละจะเผาลนกระแสะชีวิตตนเองให้ลงอบายทุกติวินิบาดนรกเองพูดแค่นี้พอถ้าก็บอกเออคนทํากรรมชั่วทุกองค์ก็ไปพูดอย่างเงี้ยประยมว่าอุ้ยท่านไปทํางั้นได้ไงจเจริญพรคนทํากรรมชั่วแล้วไปปฏิเสธว่าตนเองไม่ได้ทับโยนความผิดให้คนอื่น คำชั่วคือทษจริตเหล่านั้นก็ยังกระแสชีวิตของบุคคลนั้นในลงอบายทุกขติวิบัตินรกพูดไปเรื่อยๆไม่ถึงเจ็ดวันเงียบเงียบหมดเพราะไม่ได้ไปโต้ตอบว่าฉันไม่ได้ทําอะไรต่างไปนะเออคำชั่วใครทําอ่ะก็คุณทํำก็ต้องลงอบายทุกขติวิบัตินรกเองแต่เขาคําดีเขาก็ไม่ต้องไปเจ็บปวดเดือดร้อนอะไรไม่ถึงเจวันเรื่องก็เงียบเงียบไม่เงียบเปล่าเรื่องก็แดงขึ้นมาอีกเขาก็ไปจับ ไอ้พวกที่จ้างรับจ้างไปฆ่ามันไปกินเหล้าเมาเมาขึ้นมาไปทะเลาะกันทะเลาะกันเรื่องแดงขึ้นมาอา้าวโดนทางการจับได้โอ๊ยตายเดือดร้อนมึงเดรทีเดือดร้อนหมนเ ด, เ, ดนนเห็นไหมอย่างนี้เป็นต้นอา้าถ้าเกิดมีคนเอาในเรื่องในยุพทธเนี่ยนะเอาไปพลธนาโอ้โหเต็มหมดเลยเนี่ยแถวเพชรกเกษมลามไปถึงที่อื่นด้วย แล้วก็เที่ยวพนานใหญ่แล้วจะตัง้งตั้งรับยังไงในยบุตตั้งรับยังไงโอ้โหถแถลงการกันใหญ่เลยใช่ไหมแต่พระเจ้าเห็นไหมจะบอกว่ า, เ, าเรียกภิกษุมาทั้งหมดแล้วก็ใช้ประโยคเดียววิธีวิธีแก้แก้ข่าวเนี่ยอย่าไปพูดเยอะแล้วพูดคำเดียวเหมือนกันหมดซ้ำอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันกลับไหม สารการปรกติไหมปกติเนี่ยไม่พระเจ้าแก้ปัญหาให้ดูแต่เราไม่ค่อยแก้ตามที่พระเจ้าแก่อะไรกันก็ไม่รู้ก็ใหญ่กันแล้วเอาแต่นี้เริ่มจะเจริญศีลได้หรือยังข้อข้อแรกยากไหมข้อแรกเนี่ยสามารถจะฝังให้รึกในกระแสชีวิตเราได้ไหมงดเว้นจากการค้า ข้อที่สองจะดำบิยังไงดำริในการไม่รักเนี่ยดาริเกียจจำนงความจงใจในการที่เราจะไม่รักไ ม, ไม่รักคโยมมาสมาทานศีล น, นี่กี่วันแล้วกี่วันแล้วศีลข้อสองนะละเมิดบางยัง ละเมิดไหมใครใครข้อสองขาดบ้างมีไหมมีมไหมมีแอบไปหยิบของที่ยูฟุ้ดบ้างไหมมีไหม <c oughs> มีหมมีหรือเปล่าเห็นไหมของที่เราทั้งหมดเหล่านี้เป็นวัตถุแห่งการที่เจริญศีลได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ทั้งหลายเหล่านี้ที่ในยูพุ้ดทั้งหมดแม้แต่ของบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหลายสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าทา ย, ทายต่อท่านทั้งหลาย ที่จะสามารถฝึกทําให้กุศลศีลเกิดขึ้นได้จริงๆด้วยมีเจตจานงมีความจงใจมีความตั้งใจในการที่จะไม่ร่วงละเมิดหมาว่าทรัพย์สมบัติของยุวพุทธก็จงเป็นของยุวพุทธทรัพย์สมบัติของท่านที่มาประพฤติปฏิบัติในนี้ทั้งหมดก็จงเป็นของท่านที่มาประพฤติปฏิบัติในที่นี้ทั้งหมดเราเป็นผู้มีกุศลศีลข้อที่สองอย่างมั่นคงแล้ว ฉะนั้นยุวโพทุทธเนี่ยสบายใจได้ไม่ต้องล็อกประตูล็อกกุญแจล็อกเมื่อพบข้าพเจ้าอยู่ของสักชิ้นหนึ่งจกไม่มีติดไม้ติดมือข้าพเจ้าไปอย่างแน่นอนมันคิดอย่างงี้ไหมคิดหรือไม่คิดและก็ท่านทั้งหลายที่มานะที่เนี้ยออกจากห้องคุณไม่ต้องไปล็อกประตูปิดประตูใดๆล็อกเพราะเราเป็นผู้มีกุศลศีลข้อสองเป็นอย่างดี ขอให้ทรัพย์สมบัติของยูพุทธจงเจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้ทรัพย์สมบัติของท่านทั้งหลายที่มาประพฤติปฏิบัติก็จงเจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปเราเป็นผู้งดเว้นแล้วจากการถือเอาสิ่งของอื่นด้วยอาการแห่งการขโมยโดยไม่รับอนุญาตและขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้บริบูรณ์ในทรัพย์สมบัติเหล่านั้นและมีความสุขใช้ทรัพย์ในการเจริญกุศลทําความดียิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดฝังทุก มุมเกิดขึ้นกุศลศีลข้อนี้ก็ฝังแน่นลงแน่นลงแน่นลงในกระแสชีวิตจนเกิดความมั่นคงแลจะชื่นใจไหมมองแต่ละครั้งก็เราได้งดเว้นแล้วงดเว้นแล้วเนี่ยของทุกชิ้ น, เ, นเราได้วิจัยแล้วงดเว้นแล้วเราไม่เคยคิดล่วงละเมิดเลยเนี่ยเห็นพูกเห็นเบาเห็นกล้องเห็น เครื่องอุปกรณ์เครื่องใช้ทั้งหลายหเหล่านี้กุศลศีลเกิดมวลเห็นพัดลมเห็นไฟเห็นกระดานเห็นเครื่องใช้ต่างๆเห็นเสื้อผ้ากุศลศีลเกิดอย่างมากมายอย่างหนานแน่นอย่างเป็นปึกเป็นแผ่นถามว่าชีวิตจะมั่นคงไหมแล้วเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่าหรือเห็นมึนๆไม่คิดอะไรก็เรื่องของเขาฉันก็ไม่ยุ่งของเขาอย่ามายุ่งฉันนะคิดอย่างนี้เปล่าถามว่าศีลเขาจเจริญอย่างนี้เปล่า ยากไหมถ้าจเจริญอย่างนี้ยากไม่ยากไม่ยากเพียงดำริให้ศีลเกิดเจตจานงให้ศีลเกิดทำความไม่โลภทำความไม่โกรธและทำปัญญาให้เกิดก็เป็นศีลแล้วแล้วก็งดเว้นเมื่อจะคิดล่วงละเมิดงดเว้นทุกครั้งที่จะคิดล่วงละเมิดตัดรอนบาปทุกครั้งตัดรอนบาปทุกครั้ง ตัดวอนกระแสะจิต ท, ที่คิดไม่ดีคิดจะเอาทุกครั้งแค่นี้ศีลก็เกิดแล้วถามว่าศีลเนี่ยเกิดขึ้นด้วยการปรุงใจเป็นนะมณสิการใจเป็นตั้งใจเป็นเนะถ้าดำริไม่เป็นคิดไม่เป็นปรุงแต่งจิตไม่เป็นศีลไม่ได้เกิดกับคนอยู่เฉยเฉยเช่นอยู่เฉยเฉยมึนมึนงงงงคิดอะไรไม่ออกแล้วศีลเกิดถ้างั้นคน คนสติไม่ดีเดินตามถนนศีลจะเกิดทุกคนเลยนะเขาไม่ยุ่งอะไรกับใครก็ก็นอนเฉยอยู่สะเก็ดไหมบางทีก็ผ้าคลุมอยู่นั่นแหละเขาไม่เอาอะไรของใครด้วยเหมือนคนปล่อยวางไหมถือว่าเขาบรรลุได้ไหม <c oughs> นอนเฉยอยู่นั่นแหละมีคนสะ ก, กิดสะ ก, กิดเขาก็ขยับหนีนิดเดียวแค่นั้นแหละอามาก็ไปดูนะไปเดินบินตาบาดมาไปยืนโอ้โหโอ้โหบางทีก็มีผ้าเก่าๆหม่ม อามาก็บอกแหมเนี่ยถ้าไปรักษาศีลอามานึกอย่างนี้นะถ้าคนเข้าใจรักษาศีลคือไม่ยุ่งกับใคร <c oughs> เนี่ยฆ่าสัตว์ก็ไม่ได้ฆ่าเนี่ยคนนี้รักทรัพย์ก็ไม่ได้รักไปพูดผิดในกามก็ไม่คิดอะไรกับใครไม่ได้พูดเท็จสอเสียดอะไรกับใครเพออยู่เฉยๆไม่อยากยุ่งกับใครเนี่ยงงๆไปอย่างนี้แหละ โอ้โหสินน่าจะบริสุทธิ์นะเนี่ยเพิ่เพิ่มได้ศินแปดสินเก้าสิน 9, สิบเงินก็ไม่มีด้วยเจ้าเนี้ยไม่มีเงินด้วยแล้วนอนก็มีที่นอนแบบแหม่ไม่ยึดมัน่นถึงวั่นด้วยใช่ไหมเออไม่ได้มีที่นอนดีแล้วไม่ได้ประดับประดาตกแต่งด้วยอะไม่ทาผิวด้วยไม่เห็นแก่ตกแต่งด้วยเ อ, อ๊ะอย่างนี้ใช่ศินแปดไหมโยมใช่ไหมใช่เห็นไหมความ ศีลไม่ได้เกิดจากความงงงงมึนมึนมันเกิดจากคนรู้ความตั้งใจเจตจำนงจริงๆใช่ไหมเราอยากจะรักษาศีลแบบนั้นไหมคือพอสมาทานเสร็จแล้วก็จบแล้วไม่สนใจอะไรกับใครแล้วยอมยอมเคยยอมเคยคิดอย่างที่อามาคิดไหม อามาก็ไปคิดเอ๊ะทำไมบ้านเรามันเริ่มจะรักษาศีลกันเ ป, เป่งแปลมาเรือย่างนี้เนะยเฮ้ยเฮยแปลกมากเลยเพราะสมาทานเสร็จก็จบกันเลยนะแล้วลงมาอามาก็ไปนั่งดูในวัดน่ น, นะบางวัดอามาไปอามาก็ไปดูไปนั่งดูโยมใส่ชุดขาวกันเขาสมาทานศีลตอนเช้าเสร็จเขาก็หันหน้าคุายกันนะโอ้โหทุกเรื่องเลยทุกอย่า <c ười> ชกเรื่องเลยเออกมาก็ไปนั่งฟังถามว่าท่านมาจากที่ไหนบอกอกว่าอยากมานั่งโอ้โหท่านก็เล่าใหญ่ไอคนนั้นไม่ได้เรื่องได้ล้ า, าก็กสะกันกลัดไงนะบางคนก็เอาในบ้านมาคุยบางคนก็เอาเนี่ยคุยกันอยู่นั่นแหละเอาหมากกินด้วยคนแก่ๆ ก, กินหมากด้วยบางทีก็กรณีมียุ่งมากาัดก็ตีเลยนะตอบยุงเลยนะอยากกบแล้วกวนกูดีนะกอง เล่นทุกข้อฉันว่าดูแล้วเล่นทุกข้อนี่เขาไปรักษาศีลกันแต่ใส่ชุดขาวพอมาถึงกลับมาบ้านก็เออวันนี้เอาบุญมาฝากอีกคนอยู่บ้านก็สาธุไม่ตายแล้วเคยเห็นไหมล่ะแล้วยอมเป็นแบบนี้ไหมไม่เชื่อหรอกไม่ค่อยเชื่อหรอกเนี่ยไม่ค่อยอยากไว้ใจแล้ว พราะเราเดินสมาธิกันไม่ค่อยขึ้นเนี่ยเดินสมาธิไม่ขึ้นถ้ากุศลแศีลดีคิดว่าฝึกสมาธิปัญญาจะขึ้นไหมขึ้นไปขึ้นโอ้คิดเมื่อไรก็ตื่นเต้นก็รักษามากันเนื้อกับตัวทํามาอย่างต่อเนื่องฝึกมาอย่างต่อเนื่องวิจัยทุกเรื่องอย่างต่อเนื่องอะไรเป็นทานกุศลเป็นศีลกุศลตัวเองจนชัดเจนแล้วฝังรากลึกในใจแล้วเห็นไหมว่าโอ้โหเนี่ยเห็นแต่ละบุคคลเราก็โอ้ยเราได้ให้ความปลอดภัยกับท่านผู้นี้แล้วเนี่ย เราได้ให้ความปลอดภัยแก่ท่านผู้นี้หมดเลยนะทุกคนที่นั่งอยู่เนี่ยให้ความปลอดภัยในชีวิตหมดเลยเนี่ยโอ้ยเราไม่เคยคิดประทุษราชีวิตเราไม่เคยคิดเบียดเบียนทุกชีวิตเลยดูที่มันจะไม่เกิดปีติได้ไงดูแต่ละคนที่เราได้งดเว้นงดเว้นงดเว้นงดเว้นงดเว้นโอ้จําหน้าได้หมดเลยเนะี่ยงดเว้นงดเว้นใช่ไหมทำกุศลศีลเกิดอย่างต่อเนื่องเกิดอย่างติดต่อเลยทุกคนเนี่ยเป็นอารมณ์ของการเจริญกุศลศีลได้หมดเลยอ้าวงดเว้นจากการรักด้วยงดเว้นจากการพึ่งผิดในกามด้วย แล้วก็งดเว้นในการพูดเทศสอเสียดคําหยาเพื่อเจอิดด้วยไม่ทําให้ท่านเหล่านี้หวาดระแวงในเราด้วยแล้วยังได้ฝึกขัดเกลารหนักไปกว่า น, นั้นอีกไม่ประดาประดาตกแต่งด้วยไม่กินอาหารในยาวิการเป็นต้นด้วยเอาสิที่นุ้งที่นอนขัดเกลาไม่เห็นแก่ปากไม่เห็นแก่ท้องไม่เห็นแก่ตันหาราคาฝังอย่างมั่นคงหมุนอยู่ร้อยรอบพันรอบคิดเมื่อไรก็ตื่นเต้นปามวดปีติปสัสสิสุขสมาธิก็ตั้งมัน่น กำหนดลมหายใจเข้าออกโอ้โหดิ่งเข้าเป็นชั่วโมงก็ได้สองชั่วโมงก็ได้สามชั่วโมงก็ได้เอาสิแล้วเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่าออกมาก็เดินวิปัสสนาปัญญาต่อปุ๊บปุ๊ บ, บ, บเข้าใจความจริงเลยยัง ไ, ไงลระมัน เ, เป็นอย่างนี้ไหมเอาตอนนี้รู้แนวทางแล้วแต่มันยากตอนวิธีการใช่ไหมจริงไม่จริงเนี่ยเอ า, เอายอมลองมองมาที่อะตมาดิ ลองให้ศีลข้อแรกเกิดที่ยอมจะทำไงเราจะได้ฝังให้จิตเป็นสมาธิได้แล้วคิดเมื่อไรมยอมภูมิใจเมื่อ น, นั้นนะเอา้าลองคิดดูทีให้ศีลเกิดเนาะศีลข้อแรกเกิดยอมคิดยังไงเอามองมาทีแล้วคิดยังไงลองลองฝังเข็มฝังเสาเข็มที่เป็นกุศลศีลข้อแรกที่ไม่ที่เราได้ให้ความปลอดภัยในชีวิตของพระ ของพระสงค์แล้วเราให้ความไม่มีเวรภัยแล้วท่านจงเป็นผู้มีอายุยืนนะจงพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บใช่ ไ, ไกระแสะชีวิตของท่านจงยาวนานในการที่จะดำรงอยู่ในพระศาสนาของพระชินเจ้าจงฝึกศีลสมาธิปัญญาแทงตลอดสัจจะสีบรรลุมรรคผลในปัจจุบันภพบนะคิดอย่างนี้ไหมเห็นพระแต่ละองค์คิดแบบนี้ม ศีลฝังเกิดขึ้นอย่างนี้จริงๆไหมเกิดไม่เกิดคิดไหมกัเรื่องท่าน <laughs> ท่านอายุท่านอายุยืนกัเรื่องท่านไม่เกี่ยวกับฉนะันเนี่ยถามอย่างนี้มันจะเกิดไหมเห็นมั้ยว่าลืมมองเฉยๆมองโอ้ oh, ท่านพูดอะไรพูดอะไรเนี่ย ฉันรักษาศีลของชั้นมาอย่างนี้แล้วคุณจะมาเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนมุมมองเ ป, เปลี่ยนวิธีคิดชันได้ไงก็ฉันรักษาอย่างนี้ฉันก็นดีของฉันอยู่แล้วเนี่ยไปที่ไหนใครก็ชมฉันก็ไม่เคยขาดเลยที่ยูฟูดเวลามีคอสอบรมที่ไรฉันก็มาเนี่ยมาท่านพูดยังไงเนี่ยไม่เคยเห็นเลยพระพูดถึงศีลแบบเนี้ยประหลาดแท้องค์นี้เคยคิดอย่างนี้ไหมคิดไม่คิดแล้วคิดว่ามาพูดถูกหรือผิด เอาคว่าอ๊ศีลประหลาดเหลือเกินพราองค์นี้มาพูดมีบ้งางไหมคิดแบบนี้ไหมถามว่ายอมที่ผ่านมายอมเจริญศีลแบบที่อาจรมาพูดหรือไม่เอาใครเคยเจริญมาแล้วยกมือซิมีไหมฝึกอย่างนี้จริงๆเลยอะมีไหมเอ๊ะทําไมไม่มีสักคนเออกมาไม่มีพวกเลยไม่มีพวกเลย โอ้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราเก่าดีกว่าทั้งนี้ไม่ไหวฮะว่าไงเช่นว่าเอามายอมยอมต้องพูดดังๆนิดนึงก็ยอมยอมเคยฝึกมาเลอ ว่าดีจังเลยถ้าฝึกมาเอาลองฝึกดังๆให้ฟังกบับกรรักษาการท่าอาจารย์คือคือตอนตอนรุ่นๆโยมก็มีความรู้สึกอย่างนี้ในข้อหนึ่งแต่จะไม่รู้ว่าว่วาว่านี่เป็นเป็นสียก็คือถ้าผ่านคนป่วยไข้หรือไปโรงพยาบาลทุกครั้งที่ที่เห็นนะคะระหว่างทางเนี่ยโยมจะออขอให้เขามีสุขภาพแข็งแรงจะจะ คือเห็นตลอดทุกครั้งที่ไปจะเป็นอย่างนี้ตังแต่ตั้งแต่รุ่นรุ่นจนินอายุณปัจจุบันเนี่ยค่ะจะมีความรู้สึกอย่างนี้ตลอดอแต่ก็ไม่รู้ว่านี่นี่เป็นนี่เป็นศีลแต่ก็รู้สึกแต่ยอมต้องต้องดํำริใหม่ด้วยนะเราเป็นผู้มีศีลก่อนเราเป็นผู้มีสารณะมีศีลก่อนนะเราได้สมาทานงดเว้นจากการฆ่าแล้วท่านทั้งหลายอยู่ตอนหน้าเราตอนหน้าข้าพเจ้าเนี่ย ท่านทั้งหลายปลอดภัยได้เราจะไม่เบียดเบียนชีวิตท่านหรอกอขอให้ท่านจงปลอดภัยขอให้ท่านจงมีอายุยืนนะอขอให้ท่านนําพากระแสชีวิตของตอนเองให้ยืนยาวให้พ้นจากโรคภัยแค่เจ็บเพราะเราเป็นคนมีศีลเนี่ยมันก็มั่นใจว่าเออเขาปลอดภัยแนย่และถ้าหากเขาเดือดร้อนเราช่วยได้เราจะคนขวายช่วยจริงๆด้วยเห็นสัตว์ตกน้ำตกน้ําเรายังช่วยเลย อ, อย่าว่าแต่สัตว์เดรัจฉาน ไม่ต้องถึงพูดถึงมนุษย์มนุษย์ยิ่งแล้วควนรไหวเลยเห็นไหมเนี่ยตัวกุศลศีลมันเกิดขึ้นมาเป็นเนื้อเป็นตัวเนี่ยอย่แล้วมันจะรู้สึกมั่นคงว่าศีลได้ฝังในกระแสชีวิตเราแล้วและต่อไปเราพร้อมที่จะเจริญสมาธิปัญญาต่อไปได้อย่างแท้จริงเราเราฝึกจริงๆเราอบรมจริงๆเราทําให้เกิดให้มีขึ้นจริงๆเขาเรียกว่าศีลละภาวนาคาว่าทําให้เจริญขึ้นภาวนาแปลว่าเจริญ จเจริญขึ้นพัฒนาขึ้นสับเดียวกันนะภาวนาก็ได้พัฒนาก็ได้สิกขาก็ได้สิกขาก็เป็นข้อฝึกผลพัฒนาทําให้เจริญทําให้เกิดทําให้มีขึ้นแต่ก่อนมันไม่เจริญมันไม่เกิดมันไม่มีจริงมันมีเพียงแวบๆแวบๆแวบๆบๆพอเป็นยากระสใยอ่ะแต่ตอนนี้มันทําให้มีทําให้เกิดจริงๆเป็นเนื้อเป็นตัวจริงๆเห็นไหมกลับไปหาลูกมันไม่เหมือนเดิมแล้ว กลับไปเจอโลกที่ย้มใส่โลกอะเชื่อไหมกลับไปหาสามีสามีนึกอะไรนี่อะไดเมียใหม่แล้วในภรรยาใหม่แล้วโอ้ยภรรยาก็นึกว่าได้สามีใหม่ที่ไหนได้โอ้ยได้คนประพฤติปฏิบัติที่ถูกนั่นเองแล้วต่อไปนี่นะสถานการณ์จะเปลี่ยนหมดนะตัวกุศลศีมันมันให้ผลนี่นะสถานการณ์เปลี่ยนหมดเลยเอ๊ะทำไมเราเจริญกุศลคล่องมากเลย ให้ทานก็ชื่นใจรักษาศีลชื่นใจเจริญสมาธิเจริญปัญญาเกิดความผ่องใสชื่นใจหมดเลยนอนอยู่คนเดียวยังแอบยิ้มเลยโอ้เพิ่งรู้มันมีเพื่อนเนี่มีเพื่อ น, ม, อนมีเครื่องกาจัดภัยมีสารณะมีที่พึ่งศีลเป็นธรรมมังสารนังก็ฉาม่ไงโย่เป็นสารณะไอสารณะแปลว่ามันจะต้องอยู่กับเราตลอดใช่ไหมเป็นที่พึ่ง ในยามปกติในยามมีภัยทั้งหลายแล้วก็เป็นที่พึ่งมันจะไม่กลัวอะไรเลยนะคนมีศีลเนี่ยเอา้ากลัวตายไหมกลัวทำไมล้าตายได้ดีกว่าเดิมตายได้ดีกว่าเดิมไม่กลัวไอ้คนที่ไม่มีศีลไม่มีสารนะไม่มีที่พึ่งเนี่ยเป็นคนกลัวตายมากเคยเยตาย่ะแล้ ว, วเนี่ยมันกลัวตายหมดแหละนิดๆหน่นอยๆกลัวตายมากทั้งนั้นที่ต้องตายเนี่ยแต่กลัวล้นลานอยู่นั่นแหละ แต่คนมีศีลมีสาระมีเครื่องกำจัดภัยอยู่แล้วไม่กลัวแล้วอาจหารร่าเริงเข้าไปในหมู่คณะไหนก็มั่นใจตัวเองไม่เข้าไปแบบงอยงอยเงาเงาเศร้าเศรื้มซศมเสื่องเสื่องเสือมเสื่อมไม่หรอกเข้าไปก็อาจหารทุกบริษัทก็มีศีลเนี่ยกลัวอะไรใครอะ่ะแต่ไม่ใช่ไปแบบนักเลงนะเอาปืนไปจี้เขาไอ้นั้นก็ไม่กลัวเหมือนกันอนีมนมน่มันมีปืน เออพอจะมองเห็นไหมเออเป็นอย่างนี้แต่ดียอมยังได้หนึ่งข้อบ้างแต่ข้อต่อไปไม่เกิดเห็นไหมมันจะต้องมีฐานฝังมั่นคงทุกจุดพอมั่นคงทุกจุดแล้วแต่เนี้ยโอ้โหแต่เนี้ยมันจะชื่นใจแลแ้วถเรื่องกรรมฐานฝึกในการเจริญสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเป็นเรื่องที่ไม่ยาก สำหรับผู้มีศีลและเดินได้แล้วแต่ถ้าผู้ที่เจริญกุศลศีลทําศีลภาวนาให้เกิดให้มีขึ้นไม่ได้จะเป็นเรื่องยากที่สุดสําหรับบุคคลที่รักษาศีลและเจริญศีลไม่เป็นจะเป็นเรื่องการเจริญกรรมฐานยากที่สุดนั่งนั่งไปเดียเด๋ยวก็เดี๋ยวก็ติดซ้ายติดขวาแล้วก็หลับบ้างอะไรบ้างไปทั่วนันเข้านั่งเข้าก็ไปยึดอยู่นั่นแหละยึดโยงในสิ่งที่ไม่ถูกอยู่นั่น นี่ก็เป็นเรื่องน่าเป็นห่วงหวังว่านี่จริงๆเอามาก็จะเลยไปแล้วจะรีบพูดกรรมฐานเลยนะแต่มานั่งนึกๆด้วยเอ๊ะนี่ยกลัวพวกเราตามไม่ทันวันก่อนเนี่ยกลัวพวกเราจะฝึกไม่ได้อามาพร้อมที่จะบอกนะจะบอกสมถะหรือวิปัสสนาเนี่ยพร้อมเลยนะขอโยมพร้อมเหอะคอยยมพร้อมอะไรแล้วมาจะบอกทันทีเลยนะ นิยมมาขอขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ใช่ไหมแล้วก็มอบตนมอบอัตภาพต่อพระรัตนตรัยมอบอัตภาพแก่ครูอาจารย์อามาก็กลัวที่พวกเราเนี่เ อ, อมามอบอยังไงวันเนี้ยมอบกันแล้วเดี๋ยวไปไม่เป็นอีกใช่ไหมจะไม่อยากทําตามพิธีการแต่ต้องการอยากให้พวกเราทํามันเป็นเนื้อเป็นตัวขึ้นมาจริงๆแล้วก็สามารถที่จะไปฝึกฝนได้จริงๆพอมันเกิดได้จริงอ้แต่เนี้ก็อามาก็หมดหน้าที่แล้ว ต่างคนต่างไปกันได้ชีวิตเป็นแค่นี้แหละมีอะไรหรอกเมื่อเมื่อจรเินได้เมื่อไหร่เนี่ยมันก็หมดพาราอนามาแล้วแต่ถ้าเจริญยังไม่ได้ดิทันเป็นพาราต้องคอยบอกอยู่นี่แหละแต่ถ้าวันได้วันหนึ่งยอมเดินกุศลศติได้แล้วแม้อยู่ที่นี่แม้อยู่ที่บ้านแล้วต่อไปเนี่ยยอมได้ที่พึ่งแล้วยอมได้ที่พึ่งก็คือได้ศิ้เป็นที่พึ่งแล้ว ได้ทานกุศลศีลกุศลฝังแน่นในกระแสชีวิตได้เป็นที่พึ่งอย่างชัดเจนและเดินได้คล่องด้วยเหมือนกัสัมมาสังกปะเนี่ยดําริถูกเลยเนะี่ยดํารลีให้ดําริีให้ตัวศีลข้อแรกเกิดก็ได้ดําริีให้ศีลข้อที่ข้อสองเกิดก็ได้ดําริีให้ศีลข้อสาเกิดแท้ก็ได้ดําริีให้ศีลข้อสีข้อ5ข้อ6เป็นต้นเกิดก็ได้ไมันอยู่ที่ดําริให้เป็นแต่ดําริีเป็นหรือไม่ต้องฉลาดหรือมืน ต้องฉลาดต้องเป็นสมาธิฐิศีลและทิฐิที่ตรงถึงจะเป็นเบื้องต้นของการบรรลุอริยมรรยาพจน์ถ้าศีลและความเห็นผิดจะไม่เป็นที่ตั้งของการแทงตลอดสัจจะนี่พุทธพจน์คําสอนที่พูดพูดมาเนี่เป็นคําพูดของพระพุทธเจ้านะฉะนั้นถ้าเราตั้งเราไม่ปรับทัศนคติมุมมองวิธีคิดค่านิยมในใจ ให้สอดคล้องตามแนวของคําสอนยังไงก็ไปไม่ได้มันไม่ตรงมันไม่ตรงก็ไปอีกเรื่องหนึ่งเลยตรงนี้ฉะั้นต้องปรับต้องปรับทีนี้การกระทําที่ดีงามที่สุจริตเนี่ยเป็นไปในทางสร้างสรรค์ช่วยเหลือเกื้อกูลไม่เบียดเบียนเนี่ยไม่ไม่ทำร้ายไม่เกี่ยวข้องและไม่เป็นไปเพื่อการทําลายชีวิตร่างกายและทําลายทรัพย์สินของผู้อื่น หรือการล่วงละเมิดสิทธิทคู่ครองของบุคคลที่เขาหวงแหนเนี่ยเรียกว่าสัมมากัมมันตะเนี่ยไอย้ตรงนี้ก็จะต้องมาจากการดําริถูกเพราะดำริถูกในตัวกุศลศีลมันจะเกิดเพราะดำริว่าเออเราดําริในการไม่ฆ่าก็เลยดําริที่เป็นไปกับเมธใช่ไหมเป็นไปกับความการถูกต้องเช่นว่าเออเนี่ยดำริในการไม่รักเนี่ยเพราะเราไม่โลภนั่นแหละ แล้วตัดความโลภในสมบัติของบุคคลอื่นเสียเพราะมันไม่ไม่ชอบทำอะ่ะมันไม่เป็นไปในทางที่ดีงามถูกต้องทั้งหลายก็ดำลี่ถูกดํำลี่ในการที่ไม่ติดข้องวะ อ, อย่างนี้มันเป็นมันทรัพย์สมบัติของใครก็เป็นของคนนั้นสิเราทําไมต้องมาดำลี่ในการที่จะเอาทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นมาเป็นของตนทําไมต้องดํำลี่เอาบุตรภรรยาของบุคคลอื่นมาเป็นของตนล่ะทาไมต้องมาเพ้อฝันเห็นบางคนไเห็นดารา ง, งามๆก็เอามานั่งดำลี่ เามาก็ลองถามไอ้เจ้าเด็กวัยรุ่นนี่นะมาเป็นคนเอ่อทำไมมาต้องถามคนอื่นว่ า, ามาเป็นคนไม่เป็นคนเพอ้อฝันเจ้ามาว่ า, ามาเป็นซักถามว่าเอ้ยไอ้ไอ้หนูเวลาเองดูละครเนี่ยไอ้เห็นผู้หญิงสวยๆเนี่ยเองคิดยังไงที่ดาราเป็นนางเอกเนี่ยก็ถามคุยคิดยังไงโอ้ก็อชอบชอบแล้วเป็นยังไงเขามานอนดีเขก็ฝัน อามาเพอฝันเอออยากจะได้มาเป็นคู่ครองตนเองหรือบางทีก็ไปเห็นก็เอออันนี้แหละหน้าตาอย่างนี้แหละก็เป็นนึกกับคนอื่นมาเนี่ยว่าเออเนี่ยเรามาเป็นของเรานึกเอามาเป็นของเราเบสเสร็จแล้วเราจะได้มีลูกด้วยกันจะได้แต่งงานกันไอ้คิดว่าเขาคิดงี้นะเขาเพอ้อฝันเงี้ยถามว่าคิดอย่างเนี้ย่ามว่าคิดอย่างเนี้ยเป็นอกุศลกรรมบทรหรื อ, อยัง ถ้าเป็นเป็นข้อไหนเป็นข้อไหนนี่ยอมเคคิดไหมคิดน้อมหนึ่งชอบสองก็คือน้อมเอามาเป็นของตนนี่เขาเรียกเป็นอภิชามนโนทุจริตนี่ครบกรรมบทนะนี่ครบแล้วนะเนี่ยง่ายไหม ง่ายมากถ้าฝึกจิตไม่เป็ น, น่ง่ายมากเนี่ยของในเนี้ยเราสามารถจะทำบาปได้โดยชนิดคนอื่นไม่รู้ว่าเราบาปของในเนี้ย ม, มองไปเหอะแล้วก็น้อมเอาเป็นของตนเองน้อมบ่อยๆเถอนะวิธีจะคิดให้ตนเองวิบัติเรื่องทรัพย์เนี่ยง่ายมากเลยไม่ต้องไปทำด้วยถ้าใครอยากจะวิบัตินี่นะเห็นของใครก็เห็นรถยี่ห้อแพงๆกันน้อม ชอบก่อนแล้วก็น้อมขอให้มาเป็นของตนเองเห็นตึก ส, สวยๆก็ชอบก่อนแล้วก็น้อมมาเป็นของตนเองเห็นเพชรนินจินดาคนอื่นก็ชอบแล้วก็น้อมด้วยใจอ่ะน้อมด้วยใจมาเป็นของตนทำเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วต่อไปจะเป็นคนที่ยากจนวิบัติพอรั์รได้อะไรมาก็หลุดมืออะไรเงี้ยนะมันจะไปเนื้ออย่างนี้แหละดีไหม ถ้าหาเราคิดใหม่จะเอาของของใครจงเป็นของคนนั้น <c oughs> ก็คิดเหมือนกันเอาสินนนสเนี่ยมโนสุจริตเนี่ยของของใครก็จะเป็นของคนนั้นขอให้ท่านเหล่านั้นจำเป็นผู้อยู่กับทรัพย์ของตอนเองด้วยด้วยความสุขน ะ, จะเจริญในทรพัพย์เจริญลุ่งเรืองในทรพัพย์สมบัติตัวดีเป็นต้ออตนโอ้โหก็จะรู้ความจริงนี่บาปไปเยอะเลย <c oughs> บาปเยอะไหม หรือจะคิดอย่างนี้ก็ได้ทำชั่วไม่มีผลลอกเราคิดว่าหนึ่งเราไปโกรธแล้วพยาบาทคิดให้คนอื่นวิบัติโอ้ยไม่มีผลลอกนี่เป็นสมาธิที่หรือเป็นวิชาที่ถิถ้าคิดแบบนี้อาเช่นยอมเกลียดใครแล้วก็ยอมไปไปโกรธ เกียดแล้วขอให้เขาจงวิบัติไม่มีผลหรอกคิดไม่เห็นเป็นไรเลยไม่ผิดกฎหมายคิดอย่างนี้เป็นสัมมาทิฏฐิหรือเป็นวิชาทิฏฐิแปลว่าไม่เชื่ออะไรไม่เชื่อว่าทำชั่วแล้วจะมีผลและในขณะเดียวกันเราเห็นอ้อคนคนนั้นแล้วก็เกิด มีความรักปรารถนาดีเ อ, อื้อทอนขอให้เขามีความสุขนะมีมีผลหรือไม่มีเชื่อไหมว่ากุศลกรรมที่ทําตรงนี้แล้วจะทำให้เราได้รับผลในการต่อไปเชื่อไม่เชื่อเนี่ยแค่เนี้ยอะไรทําง่ายกว่ากันโกรธแล้วคิดให้คนอื่นที่บาดกับเมตตาเลยอะอะไรคิดอะไรอะไรทำได้ง่ายกว่ากันกรรมสองอย่างเนี่ย อะไรง่ายกว่ากันโกรธแล้วคิดให้คนอื่นริบบัดกับเมตตาเขามีความสุขความเจริญอันไหนง่ายกว่ากันอันไหนง่ายกว่ากันเมตตาง่ายกว่าเพราะโกรธเขายังจะต้องเอาองนะบางทีก็โกรธเฉยเฉยเนี่ยไม่เป็นนะคำว่าไม่เป็นหมายว่าไม่ครบกรรมบทนะไม่ครบกรรมบทแต่ถ้าจะให้ครบกรรมบทนั้นจะต้องมีการโกรธ แล้วก็มีการคิดทำลายเห็นไหมมันจะต้องครบองค์อย่างนี้ถึงจะครบกรรมมาบทถ้ามาครบกรรมมาบดบ่งบอกว่าคุณอย่าตายนะหายใจไว้ถ้ากรรมนี้ให้ผลในเวลาตายกรรมจะนำเกิดอบายทุกขติวิธาบาสนะลกถ้ากรรมนี้ให้ผลมันมีอีกเยอะกรรมที่จะให้ผลเนี่ยดูหดลายไหม แต่ใ น, นขณะเดียวกันเห็นไหมเมื่อคิดเป็นไปกับเมตตามีความรากักความปรารถนาดีความเอื้อทอนเกิดขึ้นเออมันก็ให้คุณมหาศาลเลยแต่ใ น, นขณะเดียวกันเมื่อคิดทําลายมันก็มีโทษมหาศาลนี่เหมือนกันเนี่ยนะนี่แหละนั้นทางกายกรรมทางวจีกรรมทางมโนกรรมกรรมทางไหนที่ให้ผลแรงที่สุด <c oughs> กรรมทางไหนให้ผลแรงที่สุด <c oughs> คนที่เขาจะบรรลุมากผลเขาบรรลุทางไหน ทั้งมนโนกรรมนี่แหละเห็นไหมจะทําฌานสมาบัติให้เกิดก็ได้ทํำวิปั ส, สนาญาณให้เกิดก็ได้จเจริญอริยมรรคอริยผลแทงตลอดสัจจะ ก, ก็คือมนโนกรรมนี่แหละและในขณะเดียวกันจะเห็นผิดนะเป็นมิจฉาทิฐิเห็นผิดอย่างครูทั้งห ก, ก็ได้อันนี้เป็นทั้งมนโนกรรมนะมนโนกรรมนะเห็นผิดนะเห็นว่าเออการฆ่ามีผลหรอกการฆ่าก็ไม่เรียกว่าฆ่าก็เห็นองนะี้นะ ไม่เห็นว่าฆ่จะไม่ได้ว่าฆ่าได้ยังไงก็เอาเนี่ยนี่ก็คือดินน้ําไฟลมอะ่ะยังนั่นก็คือดินน้ําไฟลมอะ่ะนักปฏิบัติเห็นแบบนี้เยอะนะเอออันนี้มิอัสตราวุฒก็คือดินน้ําไฟลมก็ดินน้ําไฟลมไปกระทบกับดินน้ําไฟลมอะ่ะถ้าให้ดินน้ําไฟลมแยกออกจากกันไหนบาปอยู่ตรงไหนไเห็นมีเลยน <c oughs> ีหลอกอหนน่ากลัวไหมเห็นแบบนี้ยบาปก็ไม่เรียกว่าบาปบุญก็ไม่เรียกว่าบุญ งั้นเถอะมนุษย์ไม่เห็นมีอะไรเลยว่างั้นเถอะที่สุดของคนก็นู่นไงป่าช้านั่แหละก็ไปจบที่ป่าชา้าตายก็ไม่มีอะไรแล้วก็เหมือนต้นไม้เผาก็ไม่มีอะไรเหลือไม่เห็นจะมีอะไรไปนี่กลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าโอ้เนี่ยในกระแสะชีวิตมนุษย์เนี่ยจะมีดินมีน้ํามีไฟมีลม มีสุขมีทุกข์และมีชีวะมีเจ็ดสัง่งนี่เล็กมากละเอียดมากจิ๋วจิวตัวนี้อย่างอื่นแตกสลายหมดแต่ไอเจสิ่งเนี้ยไม่แตกสลายพอตายปุ๊บมันก็จะล่องลอยไปหาที่เกิดนี่ไอกลุ่มนี้กลุ่มสัสตว์ติฏฐินะให้ ไ, ไปข้างไงก็ไม่ถูกไอตัวนี้ดินน้ำไฟลมเล็กๆเนี่ยสุขทุกข์แล้วก็ชีวะแ่านั้นไอนี้จะล่องลอยไปพวกนี้ดูละครเยอะนะี ก็ตายว่ามันจะมีโรคเหลืองๆ ล, ลอยออกมาี่ลอยหาที่เกิดเราเห็นแบบนี้ไหมเนี่ยสัสตตทิฏฐิเนี่ยเห็นแบบเห็นตรงนี้ก็เลยเห็นว่าเที่ยงเห็นว่าบางอย่างมันสลายแต่บางอย่างมันเที่ยงมันลอยไปหาที่เกิดเรื่อยลอยเรื่อยลอยเห็นงี้ไหมเห็นไม่เห็ น, เ, หนเราเห็นยังไงเนี่ยไม่รู้ทั้งนั้น <c ười> คืออย่างงี้ เห็นไหมว่าอกรณีอย่างนี้ก็คือว่านี่เนี่ยความเห็นอย่างเงี้ยน่ากลัวหรือบางกลุ่มปฏิเสธเหตุเลยอย่างเงี้ยไม่เลือกบุญไม่มีบุญไม่มีบาปพ่อก็ไม่มีแม่ก็ไม่มีคุณมารดาบิดาก็ไม่มีโลกนี้ก็ไม่มีโลกหน้าก็ไม่มีคนมาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทําตนเองให้แทงตลอดสัจจะแล้วก็สามารถรู้แจกเห็นจริงได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่มีจริงหรอกไปทําบุญกับพู้นี้ก็ไม่เรียกว่าบุญทําบาปก็ไม่เรียกว่าบาปมันมีคนสองกลุ่มนะ กลุ่มฝั่งแม่น้ําคงคาฝั่งนี้โหดร้ายกลุ่มนี้เป็นคนดีไอ้พวกโหดร้ายฆ่ากันก็ไม่เรียกว่าฆ่าคนดีอะทำทำดีต่อกันระพฤติ ด, ดีต่อกันไปสุขติโลกสวรรค์ก็ไม่มีจริงมันก็เขียนอย่างเงี้ยเยอะหมดเลยุวันนี้ลองเรียนทั้งโลกสูงๆดูที่เรียนทางชีวะเรียนทางอะไรมากๆเรียนเรีเป็นมิจฉาทิจีหมดเลยร้อยทั้งร้อยจบปริญญาโทเอกเนี่ยลองไปดูที ให้ยกมืออาตายแล้วเกิดได้ตายล้วศูนย์าตายเ้วศูนย์เป็นแถวที่เป็นอย่างเนี้ยเพราะเขาไม่เข้าใจเขาไม่รู้หรอกว่าเออเนี้ยไอเหตุอันนี้มีกรรมเป็นปัจจัยนี่มีจิตเป็นปัจจัยนี่มีกุตุเป็นปัจจัยนี่มีอาหารเป็นปัจจัยเขาก็ไม่รู้เนรายละเอียดมันเยอะแต่ต้องการพูดว่ามันมีผลนกรรมมีผลยังไงการกระทำมีผลแล้วมันให้ผลยังไง แล้วก็ทางมโนกรรมเนี่ยมันรุนแรงมากยังไงเนีงนั้นเวลามาประพฤติปฏิบัติเราข้อให้สํารวมรมันเลยสำรวมใจนี่แหละใช่ไหมปิดบาปทางทวารตาหูจมูกเล่นกายใจใช่ไหมทวารรับรู้เนี่ยถ้าดูเป็นถ้าดูเป็นก็ได้กุศลถ้าดูไม่เป็นก็ได้บาปฟังเป็นก็ได้กุศลฟังไม่เป็นก็ได้บาปใช่ไหมดมเป็นก็ได้กุศลถ้าดมไม่เป็นก็ได้บาป กินเป็นก็ได้กุศลแต่กินไม่เป็นก็ได้บาปเอาทีสัมผัสเป็นนี่นะก็ได้กุศลสัมผัสไม่เป็นก็บาปคิดเป็นได้กุศลแต่คิดไม่เป็นก็ได้บาปเห็นไหมนี่ทางทวารรับรู้เนี่ยโอ้โหทีนี้มันก็เวลารับรู้ไปเสร็จเวลามันแสดงออกก็ทางไหนใจมันคิดประชุมไว้ที่ใจก็ออกมาทางพฤติกรรมทางกายทางวาจาแล้วแต่นี้เอาละสิแต่นี้ยอันนี้ไอ้ตัวการกระทาออกมาก็เป็นกรรมและกายกรรมบ้งวจีกรรมบ้งมโนกรรมบ้างเอาทีผิดถูกมั่วๆกันเลยแตเนี้ย แล้วแต่ใครจะได้ข้อมูลที่ผิดที่ถูกการแสดงออกก็แตกต่างกันออกไปทีนี้ตรงนี้พูดถึงในเรื่องของจะมีใครจะถามอะไรั้มมีไม่มีเอาเลยถามมาเดี๋ยวโอกาสที่เจอกันค่อนข้างน้อยนะ อย่ามาตอบปัญหาหน่อยนะอ๋มอมีมีปัญหานี้ด้วยมาลืมดูไปแม่ยอมเล่นเขียนตัวเล็กจังเอามาก็อ่านไม่ค่อยเห็นโอ้นำมาสการ์ขอถามฟังธรรมบรรยายพระอาจารย์นั่งดูลมหายใจเข้าออกไปด้วยอาบุญทั้งสองอย่างจะเป็นโลภะหรือเปล่า เออถ้าฟังก็ฟังให้เข้าใจก็ดีเข้าใจนะบางทีก็อยากได้บุญไปด้วยเนะแต่บางคนก็นั่งฟังดูลมไปด้วยแล้วก็ฟังไปด้วยถามว่าประเด็นว่าเออถ้าฟังทำอย่างนั้นแล้วความเข้าใจจะชัดไหมคืออย่างงี้นะว่ายอมจับประเด็นให้ได้ก่อนว่าภาวนากุศลมีสองอย่างภาวนากุศลที่เกิดขึ้นจากการฟังทำ เนี่ยก็เรียกว่าภาวนากุศลมันเป็นฐานเดียวกันกับการเอาไปฝึกฝนประพฤติปฏิบัติก็เรียกว่าภาวนากุศลเห็นไหมการแสดงธรรมและการฟังธรรมเนี่ยอยู่ในหมวดของภาวนาใหม่บุญที่เกิดขึ้นจากการเจริญภาวนาในสมัยครั้งพุทธกาลเนี่ยคนฟังธรรมฟังเสร็จปุ๊บบรรลุเลยในขณะนั้นแป๊บก็ฟังไปแล้วเนี่ยก็ไข่ควรวิจัยพิจารณาทั้งตลอดไปอันนั้นคือกลุ่มคนมีบุญนะ เอาท่าในปัจจุบันถ้าเราฟังไปด้วยแต่ถ้าฟังแล้วนั่งสงบนิ่งๆดูลมก็จริงนะแต่เป็นดูแบบดูแบบไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจมากแต่ใส่ใจการฟังให้ต่อเนื่องด้วยเออนั่นก็เป็นประโยชน์นะเป็นประโยชน์แต่ถ้าฟังเบสเสร็จแล้วพระพราบจบแล้วจ ะ, จ ะ, จะเจริญกรรมาฐานต่อได้ตรงนี้ยอมถามว่าจะเป็นความโลภไหมโลภเนี่ยคืออยากจะได้ใช่ไหม อยากจะได้ทั้งสองอย่างไอ้ฟังก็ได้ประโยชน์ไอ้ดูลมก็ได้ประโยชน์ใช่ไหมคืออย่างนี้การปฏิบัติเนี่ยไม่เรื่องไอ้ต้องระวังก็คือว่าหนึ่งทำไมเราจริงต้องฟังทําไมต้องฟัง 1. ได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยฟัง 2. ทําสิ่งที่ได้ฟังแล้วที่ไม่เข้าใจชัดให้เข้าใจชัดส ของผู้ฟังก็จะเอิบอิ่มก็จะผ่องใสประการที่4ี่ที่สําคัญที่สุดคือปรับทัศนคติปรับมุมมองปรับความเห็นปรับค่านิยมเดิมๆให้ตรงตามแนวของเหตุผลที่พรุทธเจ้าบอกไว้ไอ้ตรงนี้สําคัญมากแต่ทัศนคติไม่เปลี่ยนตามแนวของเหตุผลที่ถูกต้องเมื่อไหร่การปฏิบัติก็กลายเป็นตัวเดิมคนเดิมความคิดแบบเดิมๆค่านิยมเดิมๆทัศนคติมุมมองเดิมๆมนุษย์จะไม่มีการพัฒนาได้อย่างแท้จริง เพราะเราต้องยอมรับว่าเรามาจากทัศนคติมุมมองและค่านิยมที่ไม่ถูกต้องยอมรับความจริงแต่พระเจ้าต้องการปรับทัศนคติมุมมองค่านิยมแล้วก็ความคิดความเชื่อที่เราผิดผิดมางั้นมนุษย์แต่ละบุคคลต้องปรับให้สอดคล้องตามแนวของเหตุผลที่แท้จริงเมื่อปรับได้แล้วต่อไปเนี่ยเรื่องการเจริญสมาธิไม่ยากเจริญปัญญาไม่ยาก แต่การฟังให้เข้าใจเป็นไปตามระบบอย่างถูกต้องแล้วสามารถสรุปประเด็นเอาไพปพึ่งปฏิบัติฝึกฝนอันนี้ยากฉะนั้นถ้าฟังเข้าใจแล้วแล้วปฏิบัติถูกหลักเนี่ยพระสารพระถามท่านภาษาลีบุตรบอกว่าข้าแต่ผู้มีอายุนะอะไรเป็นสิ่งที่ยากในพระศาสนานี้อะไรเป็นสิ่งที่ยาก ภาษาลิบุตรบอกว่าการประพฤติพรหมจรรย์สิเรื่องข้อไปข้าแต่ท่านพระเถรละการประพฤติพรหมจรรย์ที่ผู้มีอายุเป็นสิ่งที่ทําได้ยากพวกเราดีถือว่ามาครองมาถือพรหมจรรย์ไหมเนี่ยถือไม่ถือเพราะเราสมาทานอะพรมจริยาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิามิข้าพเจ้าขอครองขอสมาทานในการครองชีวิตอันประเสริฐใช่ไหม ถือชีวิตอันประเสริฐชีวิตที่ดีงามชีวิตที่งดงามเขาเรียกชีวิตที่ประพฤติพรหมจรรย์ก็คือพรหมจรรย์คือศีลปรับพฤติกรรมทางกายวาจาให้สะอาดเอี่ยมอ่องผ่องแผ้วพรหมจรรย์คือสมาธิก็คือปรับจิตของตอนเองนั้นให้เป็นจิตที่อดหารล่าเริงผ่องแผ้วและมีความเพียรมีสติมีกําลังของสมาธิพรหมจรรย์คือปัญญาคือความรอบรู้เหตุและผลตามความเป็นจริงนะใช่ไหม ตอนนี้เรามาประพฤติพรหมจรรย์ภาษาริบบทว่าการประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยเป็นสิ่งที่ทําได้ยากอะยากไหมยากยากสิอา้าเราชีวิตเราเนี่ยคลองถือพรหมจรรย์เนี่ยประพฤติพรหมจรรย์กับไม่ประพฤติพรหมจรรย์อันไหนมากกว่ากันเห็นไหมก็ต้องดูตรงนั้นด้วยทีนี้ถ้าถามต่อไปบอกว่าถ้า ได้มาบวชได้มาถือพรหมจรรย์แล้วอะไรเป็นสิ่งที่ยากยากกว่านั้นอีกพระสารีบุตรก็บอกว่าการยินดียินดีในสถานภาพในการคลองชีวิตอันงดงามและชีวิตการถือพรหมจรรย์เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำได้ยากใช่ไหมมามามารักษามาอย่างนี้ไม่ยากหรอกแต่จะให้ยินดีอ่ะยินดีในภาวะความเป็นอยู่อย่างนี้จริงๆนะ ชนิดที่โอ้โห่พอออกจะถึงเวลาจะออกจากการประพฤติปฏิบัติออกจากการถือศีลเนี่ยร้องไห้เลยว่มไม่ไหวแล้วมันไม่เคยรักไม่เคยรักอะไรขนาดนี้เลยอะ่ะไม่เคยรักไม่เคยเลยชีวิตเกิดมาเพิ่งรักศีลรักสมาธิรักปัญญาจริงๆถ้าใครจะบอกให้เราหนีหรือออกพรากจากศีลสมาธิปัญญาเนี่ยบอกโอ้โหมันเหมือนเอาภาคชีวิตเราออกไปสิ่งที่เรารักที่สุด เพราะเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นสิ่งที่ดีงามที่สุดยอมมีความรู้สึกขนาดนี้ไหมขนาดนั้นไหมฉะ <c oughs> นั้นใครทำความยินดีทำความชอบใจหรือทำความปลื้มใจให้เกิดขึ้นอย่างทองแท้อย่างแท้จริงในเพศภาวะของการถือครองลมาจารย์ได้อันนี้เป็นสิ่งที่ทํายากระดับที่สองอันนี้ภาษารพระกระถามต่อบอกว่า อา้าฉันได้สองสถานภาพนี้แล้วอะไรยากกว่านี้อีกภาษารลีบด์บอกว่าการปฏิบัติให้ถูกหลักการฟังให้เข้าใจและการปฏิบัติให้ถูกหลักเป็นสิ่งที่ยากเห็นไหมตอบประเด็นคําถามเนี่ยวฟังให้เข้าใจแล้วนําไปปฏิบัติให้ถูกหลักเป็นให้ถูกตามระบบตามแบบแผนจริงๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําได้ยาก ใช่ไมใช่เอาฟังให้เข้าใจา ย, ยากไหมยากแล้วนำไปปฏิบัติฝึกผนทาให้เป็นเนื้อเป็นตัวจริงยากมัมยากเห็นไหมการปฏิบัติให้ถูกหลักเป็นสิ่งที่ทาได้ยากสามระดับนะหนึ่งประพฤติพรหมจารย์สองยินดีสามปฏิบัติให้ถูกหลักนี้พระถามต่อว่าถ้าปฏิบัติถูกหลักแล้วบรรลุยากห ภาษาดบุตรไม่ยากเลยผู้มีอายุง่ายง่ายมากใช้คําว่า ง, ง่ายเลยนะถ้าปฏิบัติให้ถูกหลักมเมื่อไหร่บรรลุไม่ยากจะให้บรรลุเจ็ดวันก็ได้เจ็ดเดือนก็ได้เจดปีก็ได้บรรลุเลยน่าสนใจไหมล่ะฉะนั้นจเจริญสีให้ถูกหลักยากไหมศึกษาแล้วให้ปฏิบัติให้ถูกหลักยากแต่ถ้าทําได้บรรลุ ไม่ยากสมาธิปัญญามันเอา้าจับประเด็นได้ยังเดีนี้ถึงบอกว่าบรรลุยากไม่ยากมันก็ต้องถามบอกว่าปฏิบัติถูกหลักไหมเอาปฏิบัติถูกหลักก็ยากก็ไม่ยากฟังเข้าใจไหมเอาปฟังเข้าใจปฏิบัติถูกหลักได้แล้วถามว่ายินดีในเพศพมอาจารย์ไหมเอาบอกยินดีแล้วก็ ชอบการบวชไหมชอบเดี๋ยวก็ได้ใช่ไหมฉะนั้นขอใยินดีในการขอให้นะีการบวชเป็นทำเป็นการถือพระหมจันย์ยากการยินดีก็ยากและการบริบัติให้ถูกหลักก็ยากถ้าทำสามอย่างนี้ได้บรรลุไม่ยากไม่ใช่พระพูดแต่ผู้ที่พูดคือภาษาลิบุตรภาษาลิบุตรก็พูดตามพระพุทธเจ้าสรุปแล้วพระพุทธเจ้าเป็นผู้บอก มั่นใจไหมมั่นใจว่าครบเจ็ดวันก็สึกแล้วการรักษาศีลโดยไม่ได้สมาทานหรือตั้งใจจะได้ผลแตกต่างจากสิ่งที่มีการสมาทานอย่างไรการที่รักษาศีลแบบไม่ได้สมาทานกับแบบสมาทานจะต่างกันต่างกัน ศีลที่เป็นที่มันเกิดขึ้นโดยประจวบเฉพาะหน้าเขาเรียกว่าสัมปตตะวิรัติคือมันเกิดขึ้นแบบประเภทที่ไม่ได้ตั้งใจได้ไม่ได้สมาทานไว้เนี่ยเช่นเราไปเจอชีวิตของบุคคลอื่นหรือเห็นสัตว์อื่นเห็นปลาปุ๊บคิดอยากจะฆ่าแล้วงดเว้นได้ว่าคนเช่นเราคนมีการศึกษาเช่นเรา คนดีอย่างเราเราไม่เคยทําบาปทํากรรมใดๆการจะไปประทุสร้ายไม่ควรแก่เราเนี่ยอย่างนี้ก็เกิดขึ้นเฉพาะหน้าหรือไปเห็นทรัพย์สินบาดสมบัติของบุคคลอื่นทําท่าจะหยิบเนี่ยก็งดเว้นได้ก็มีกล่าเออคนเช่นเรามีการศึกษาก็ดีมีตระกูลก็ดีเป็นต้นเหล่านี้การจะทำกรรมชั่วไม่ควรแก่เรางดเว้นได้เฉพาะหน้าการเปรียบร่วงละเมิดคู่ครองของบุคคลอื่นบุตรของบุคคลอื่นเป็นต้นเหล่านี้ก็เนี่ยเออเรามีการศึกษาดีมีตระกูลดีเป็นต้นจะประพฤติร่วงละเมิดไม่ควรแก่เรา หือการจะพูดเทศส่อเสียดการจะดื่มน้ะเมาก็ตึกอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เขาเรียกว่าการรักษาศีลแบบไม่ได้สมาทานมันประจบกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าก็เกิดขึ้นอย่างนี้กับการสมาทานอย่างมั่นคงแล้วก็พอจะล่วงละเมิดก็นึกถึงว่าเราสมาทานอย่างดีแล้วจึงไม่ควรล่วงละเมิดฉะนั้นการสมาทานจะมั่นคงกว่าการสมาทานจะมั่นคงกว่าเพราะพระเนี่ยที่บวชเขาเรียกว่าสมาทาน มาแล้วในวันที่บวชท่านก็จะระลึกตั้งแต่วันที่ท่านบวชมามาสมาทานมาทบทวนต่อเนื่องตลอดนะการสมาทานเป็นสิ่งที่มั่นคงกว่าที่ไม่ได้สมาทานเพราะไม่แน่เราอาจจะไม่คิดก็ได้ว่าเราเป็นผู้มีศึกษาดีมีการศึกษาดีมีตระกูลดีเป็นต้นเอ๊ศึกษาดีก็ไม่เห็นเป็นไรเลยไม่มีก็เห็นเราเนี่ย ทำสักครั้งหนึ่งก็ไม่เป็นไรหรอกเห็นไหมไอการที่ไม่ได้สมาทานไม่ได้ตั้งใจไว้ไม่ได้ฝังอัธยาศัยไว้อย่างมั่นคงนั้นจริงไม่ค่อยแข็งแรงเท่ากับการสมาทานงั้นการสมาทานจะชัดเจนกว่าแล้วก็มั่นคงกว่าแต่ถ้าสมาทานแบบเบอร์เบอร์เหมือนคนในยุคนี้แหมนั่นก็าะปานาติปาก็งอยงอยเงาเ ง, างาไปไงนะไอย่างเนี้ยไออย่างเงี้ยไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่หรอกนั้นสมาทานจริงเขาถือเอาจริงๆตั้งใจจริงๆริงเขาเกิดฮิริโอตปะจริงๆเกิดความ คารบคารบจริงๆนะคารุคากรณะหรือคาุกรเนี่ยก็คือมีการกระทําที่มีความเคารบอย่างหนักแน่นยริงๆ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าตั้งใจแล้วว่าเราจะเป็นคนดีเราจะเป็นคนฝึกฝนอบรมตัวเองพัฒนา ต, ตัวเองเต็มที่แล้วอันนี้ยตั้งใจทําจริงๆเราเป็นประเภทนี้ไหมวเวลามาสมาทานตั้งใจจริงๆไหมตั้งใจมาจากบ้านเลย แบบจะไม่ให้ล่วงแล้วเมื่อจะทําให้ดีที่สุดเวลาถือเอาไปแล้วก็แม้ประดุดดังได้ของที่มีค่าที่สุดเหมือนเหมือนได้เพชรที่ล้ำเลิศที่สุดศีลแต่ละข้อเป็นเพชรไหมเป็นอเยทรับไหมเป็นทรัพย์ที่มีค่ามากรับออกมาจากพระบรมศ า, ศาสดาฉะนั้นเราจะไม่ให้ตกหล่นเราจะไปพอกพูนถ้าไม่มีถ้าไม่เกิดขึ้นในกระแสชีวิต นี่แหละจะทําให้ชีวิตของเราประเสรศกระแสชีวิตเราดีงามเลิประเสริฐพ้นจากทุกได้ก็ได้ศีลอันนี้แห ล, ละเราจะไปสุคติได้ก็เพราะศีลจะมีโพคา ส, สมบัติได้ก็เพราะศีลจักบรรลุพระนิพพานได้ก็มีศีลนี่แหละเป็นฐานเบื้องต้นในการที่จะเจริญสมาธิและปัญญาต้นๆถามเราตำหนักรู้ขนาดนี้ไหมเป็นไม่เป็นถ้าเป็นอย่างนี้ชัดการสมาธานนี้ถือว่าโอ้โหหน้าน้าน้าหน้าโมทนาเลย ศีลข้อ8ทุกวันนี้นอนเสือ่อปูพื้นเท่านั้นหรือแม้ศีลข้ออื่นๆก็พยายามไม่ล่วงละเมิดเท่าที่จะทำได้ตัดได้ไหมคำว่าเท่าที่จะทำได้เนี่ยคิดแค่ว่าทำให้ดีทำทำดีได้ทำดีได้ดีค่ะบริจาคทานหรือทำบุญด้วยเงินเพื่อลอตนี่เท่านั้น ตรงนี้เรื่องการการการรักษาศีนรูปแบบเป็นสีเป็นเป็นรูปแบบนะถูกต้องนะก็อย่างที่บอกว่าอย่ารักษาศีลเหมือนคนเหมือนคนติดคุกที่ไม่มีข้อมูลอย่ารักษาศีลเหมือนนกอยู่ในกรงทอง นอกอยู่ในกรงทองเขาก็ไม่มีฟูกนอนหรอกเขาเห็นนกหัวจุกไหมที่เขาเลี้ยงกันจ้างแต่ก่อนมาอยู่ทางทางรามคำแหงไปพักแล้วก็ไปบินดาบาดเขาจะมีนกไลยหัวจุกใส่กรงเป็นแถวหมดมาก็ไปยืนมองยิ้มๆคนเลี้ยงนกหัวจุกถาไว่าท่านยิ้มอะไรท่านชอบเลยบ <c oughs> อ, อกไมให้หรอกทํานึกถึงคนรักษาศีลในยุคนี้ <c oughs> คือคือรักษาศีลต้องเกิดความรู้ความเข้าใจนะความรู้ความเข้าใจความจงใจที่จะทําให้มีให้เกิดขึ้นจริงๆแค่นั้นศีลทุกข้อเนี่ยเป็นอริยทรัพย์ศีนทุกข้อเนี่ยเป็นเป็นแก้วสารพัดนึกเมื่อสามารถไปประชมในศีลในกระแสะชีวิตได้แล้วเนี่ยหวังอะไรได้คนมีศีลปรารถนาอะไรก็สําเร็จนะจำไว้เป็นแก้วสารพัดนึกปรารถนาบรรลุก็ยังได้เลย อย่าว่าจะปราถนาอย่างอื่นเลยแต่ต้องสามารถประชุมกุศลศีลให้เกิดขึ้นแล้วจริงๆอันนี้พูดตามพุทธพจน์นะเป็นแก้วสารพัดนึกนะที่จะสามารถหวังอะไรได้แต่ถ้าศีลไม่เกิดขึ้นจริงในกระแสชีวิตหวังแทบตายก็ไม่ได้หวังยังไงก็ไม่ได้เพราะเป็นความเป็นการหวังของคนไม่มีคุณสมบัติแต่ถ้ากุศลศีลมีและเกิดขึ้นในชีวิตแล้วหวังได้จริงจริ น่จะหวังได้ฉะนั้นถ้ารักษาถูกทีนี้เมื่อกี้ยอมบอกว่าบริจาคหรือทำบุญด้วยเงินก็เพื่อลดตนหีเท่านั้นเออคือการสละการบริจาคเนี่ยมันการสละนี่นะไม่ใช่แค่เงินนะไม่ใช่แค่เงินอย่าคิดว่าการทาบุญคือเงินนะอย่าคิดอย่างนั้นเด็ดขาดเงินไม่ใช่คำตอบนะเงินไม่ใช่คำตอบแต่การสละเนี่ย จะมีว่าหนึ่งให้ด้วยศรัทธาให้ยังไงและผลจะเกิดยังไงเดี๋ยวพระท่านจะมาขยาย 2. ให้ด้วยความนอบน้อมสให้ด้วยความนอบน้อมให้ด้วยความเคารพประการมาให้โดยสละขาดให้ยังไงเนี่ยให้โดยสละขาดให้เป็นการลทานเป็นยังไงให้โดยการไม่กระทบตนและบุคคลอื่นยังไงก่อนให้ก็ดีใจขณะให้ก็เลื่อมสายให้แล้วก็ปลื้มใจอย่างไรไอ้ตรงนี้สําคัญฉะนั้นกระบวนการทานกุศลไม่ใช่มีแค่ แค่การแค่จะลดตหนีมันต้องลดทุกตัวหนึ่งความโลภต้องลดด้วยนะความโกรธต้องลดด้วยความลิษยาต้องถูกทําลายไปด้วยความตหนีต้องถูกทําลายไปด้วยนะความฟุ้งซ่านลาคาญใจต้องถูกทําลายไปด้วยความหลงความไม่รู้ต้องถูกทําลายไปด้วยในขณะที่สละเพราะการให้ทานด้วยปัญญาเขารู้ไงฝังเหตุแล้วเนี่ยก็ต้องรู้ผลจะเกิดขึ้น เหมือนเรานั่งรถจะมายูพุทธเนี่ยยังไม่ทันถึงยูพุทธเราก็รู้แล้วจะต้องมาถึงการเห็นผลที่จะปรากฏข้างหน้าด้วยปัญญาที่ถูกต้องอันนี้เป็นผลของทานนะเป็นผลของผู้มีปัญญาในการให้ดังนั้นในรายละเอียดก็ต้องเดี๋ยวว่า ก, กันไปว่าจริงๆก็คือเนี่ยก็ทำความเข้าใจให้ชัดขึ้นตัวตนหนีนั้นเป็นตัวหนึ่งที่ต้องลด ถ, ถูกต้องแต่ไม่ใช่เพีตนหนีความโลภต้องลดลงลดลงนะ โทสะในใจต้องค่อยๆลดลงลดลงจนหมดไปในที่สุดนะถ้าอย่างนั้นจะโกรธนะยกตัวอย่างเช่นเอชันทาทานังเนี่ยให้ด้วยความโลภใช่ไหมอย่างนี้ให้ยังไงความโลภก็ไม่ลดโทสะทานังให้ด้วยความโกรธง่ายดลีลเอียงเพราะโกรธให้ยังไงความโกรธก็ไม่ลดความโกรธก็มีอยู่โมหะทานังให้ด้วยความหลงให้ยังไงความหลงก็ไม่ลดพยะทานังให้ด้วยความกลัวให้ยังไงกลุ่มตระกูลโทสะก็ไม่ลดอย่างนี้เป็นต้น หรือกุลังสถานังให้ตามประเพณียังไงปัญญาก็ไม่ค่อยเกิดหรือสักษาสถ า, านนางให้หวังสุกติโลกสวรรค์ยังไงก็เข้าใจผิดเพราะไปหวังอยากได้อยากได้ความโลภก็เพิ่มขึ้นหรือสอมนนัสถานนางให้และดีใจเออให้คนนี้มันสบายใจเช่นเอาเอาเอ า, เอาอาหารไปให้ปลาสบายใจเอาไปให้สุนัขสบายใจเอาไปให้แมวสบายใจอย่างเงี้ยแต่ต้องให้หมดไม่สบายใจก็ไม่ให้เห็นไหมลักษณะนี้ถ้าสบายใจถึงให้ไม่สบายใจไม่ให้อันนี้ก็ไม่ใช่ยังไ แต่การให้ในภาษาศาสนาเนี่ยจะต้องปรุงที่เรียกว่าจิตตะลังกาละทานนั่งให้เพื่อประดับจิตตกแต่งจิตปรุงแต่งจิตเข้าสู่ศีลให้ได้เข้าสู่สมาธิให้ได้เข้าสู่ปัญญาให้ได้อย่างแท้จริงไอ้ตรงนี้ต่างหากเป็นสิ่งที่ควรทําและให้มีให้เกิดขึ้นจริงๆอย่างนี้เป็นต้นโอจะหมดเวลาแล้วคําถามเพิ่มเติมถ้ามีถ้ามีเหตุการณ์ที่เราจําเป็นต้องเลือกระหว่างผิดศีล โดยเจตนาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นกับการอยู่เฉยๆทั้งที่รู้ว่าเรามีความสามารถที่ช่วยเหลือได้เราควรทำเช่นไรครับถึงแม้เราอาจจะไม่รู้ว่าเหตุการณ์ที่ตามมาของสิ่งนั้นสิ่งที่เราทาจะทำหรือไมเออ่เหตุการณ์ที่ตามมาของสิ่งที่เราทำหรือไม่ไม่ได้ทำจะเกิดอะไรขึ้น ตามมาก็ตามออถ้าเรามีเหตุการณ์ที่จะต้องเลือกระหว่างการผิดศีลโดยเจตนาช่วยเหลือผู้อื่นออตรงนี้อันนี้เราเป็นการตั้งสมมติฐานขึ้นนะตั้งสมมติฐานขึ้นว่าถ้ามีเหตุการณ์ในกรณีที่เราจะต้องผิดศีลแต่เพื่อช่วยเหลือคนอื่นออถามว่าจะเลือกอะไร ก็ต้องเลือกเอาตัวกุศละศีลก็ไว้แล้วก็หาอุบายในการที่จะช่วยโดยชนิดที่ศีลก็ไม่บกพร่องต้องต้องเลือกอย่างนั้นนะครับอย่าไปตั้งสมมติฐานว่าเออถ้าเราจะผิดศีลแต่ต้องการช่วยคนอื่นเพราะทำไมเราต้องเบียดเบียนตัวเราเองแล้วการช่วยคนอื่นเนี่ยถามว่าเราช่วยเขาจริงหรือเปล่ า, ายกตัวอย่างเช่นเพื่อนกินเหล้าเมาใช่ไหม เพื่อนก็บอกว่าเออเองต้องมากินเหล้ากับฉันนะถ้างั้นฉันจะไม่หยุดกินนะเราก็โอ้โหอยากให้เพื่อนหยุดกินเหล้าก็เลยต้องไปกินเหล้ากับเพื่อนไอ้อย่างเงี้ยไม่ใ ช, ไใช่ไม่ใช่แล้วเราคือช่วยเพื่อนว่า ง, งั้นเถอะในการตนเองยอมลงทุนผิดศีลแต่ก็ช่วยเพื่อนแต่ถ า, ถามว่าช่วยได้ตลอดไหมไม่ใช่ได้งนั้เพื่อนก็ต้องชวนอย่างนี้อีกเรื่อยเรืเรยที่สุดจริงๆเราก็เป็นผู้ทําลายศิกขาบท ถาว่าเราทําลายตัวเองก็ทําให้ตนเองจมนะทาให้ตนเองเจ็บปวดนะทำให้ตนเองทรมานนะจากนั้นก็ต้องดูนะว่าผู้ชานฉลาดทั้งหลายถ้าจะทําอะไรต่างๆก็จะต้องดูก่อนว่าสิ่งนั้นต้องไม่ผิดคนที่ฉลาดจะเข้าใจนะว่าจะทํายังไงไม่ผิดศีลจะทํายังไงไม่ผิดศีลเพราะศีลไม่ใช่รักษาแบบคนทื่อๆหรือไม่รู้เรื่องหรือไม่ชานฉลาดคนรักษาศีลจะมีความชานฉลาดมากเออถ้าต้องการอยากจะรู้รายละเอียด นะในกรณีที่จักรักษาศีลและอยู่ในโลกใบนี้อย่างไรขอแนะนําให้ไปอ่านชาดกเรื่องหนึง่งในมโหสถชาดกอ่านหลายๆรอบแล้วจะรู้วิธีการแก้ปัญหานะแก้ปัญหาในกรณีที่ท่านเจอปัญหาตลอดว่าท่านแก้ปัญหายัางไงนะท่านแก้ปัญหายัางไงในชีวิตอ่านหลายๆรอบแล้วจะเกิดความเข้าใจนะในมโหสถชาดกถ้าเราเกิดขับรถอยู่แล้วเราเห็นคนกําลังข้ามถนน แบบไม่มองซึ่งเราหยุดรถไว้ซึ่งเราหยุ ด, ดออรถได้ทันแน่นอนแต่ถ้าข้างๆเรามีคนขับรถหลับมีคนขับรถหลับในพอดีซึ่งเราทราบว่าถ้าเราไม่หยุดรถคันนั้นคนข้ามถนนต้องมีอันเป็นไปแน่เลยแบบนี้ระหว่างรถ ระหว่างเรารถเราไปข้างเราไปขวางรถคันนั้นซึ่งเป็นเจตนาทำร้ายแน่นอนหรือเราควรอยู่เฉยๆถือว่าเป็นกรรมที่คนข้ามถนนที่เคยทำเอาไว้ประเด็นตรงนี้ฟังไม่ค่อยชัดใครเป็นคนถามคำถามเนี้ย ช่วยช่วยช่วยถามในไม้หน่อยได้ไหมอ่ะอ่ะช่วยถามอขอไม้หน่อยทีอ่ะถามหน่อยระว่าไงนะขออภัยนะครับพอดีว่าจริงๆคือ มีเหตุการณ์ที่ผมเคยขับรถอะไรเงี้ยครับช่วงนั้นฝนตกแล้วก็จริงๆไม่มคนข้ามถนนนะครับมีสุนัขข้ามาถนนอยู่เสร็จแล้วคือว่าผมมาเบรคทันแล้วก็เห็นคนันข้างเนี่ยเขาแบบสะพังโงคะครับแล้วเขาเบรคไม่ทันเขาก็แบบว่าแบบชนสุนัขซึ่งตอนนั้นเราก็รู้สึกว่า เ, เราอาจจะทําอะไรได้อะไรเงี้ยครับ แต่มันก็เหมือนกับว่าเราก็รู้สึกผิดตรงนั้นว่าเออถ้าเกิดตอนนั้นเราเอารถไปขวางอาจจะช่วยสุนัขตัวนั้นได้แต่ว่าเรากลับอยู่เฉยๆอะไรเงี้ยครับอ๋อเอารถไปขวางโคอีกคันนึงใช่ให้เขาชนรถเราใช่ครับก็เลยนั่งคิดเขาแบบเอออการที่เราอยู่เฉยถ้าถ้าเขาชนรถเราอะแล้วเกิดเขาตายอ่ะก็นั่นแหะสิครับมันก็เลยบอกว่าอยู่ระหว่างที่ว่าแบบจริงๆการเฉยเนี่ยถูกเฉยถูกการเฉยเนี่ยถูกครับเพราะว่า บางทีเนี่ยไอความที่เราเราเราการที่เราจะเราจะช่วยคนเนี่ยนะหนึ่งแท้จริงหนึ่งมันไม่ใช่จะเป็นการช่วยนะบางทีถ้าเรารถวิ่งขวางตูมเนี่ยรถชนตูมขึ้นมาอันตรายก็เกิดขึ้นใช่ไหมถ้าถามว่าเอยอย่างนี้มันมันเป็นเหตุการณ์ที่ทําอะไรได้ไหมมันทําไม่ได้แต่ถ้าทําได้โดยชนิดที่ดูแล้วคํานวณแล้วนี่ปลอดภยัยอันนั้นพึงทา แต่ถ้าทํำยังไงก็ไม่ได้แก้ไขสถานการณ์นั้นก็ไม่ได้เนี่ยต้องวางใจเป็นกลางแล้วก็มานสิการว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นทรัพย์สมบัติของตนเองทํากรรมใดไว้จะต้องรับผลของการกระทํานั้นๆและเมื่อเกิดชนอะไรขึ้นมาแล้วเราจะลงไปช่วยหรือไปแรงต่างนั้นว่าอีกทีเห็นไหมในกรณีอย่างเงี้ยก็ต้องชาญฉลาดในการที่จะกระทำมันไม่ไม่ไม่แยกว่าเอ๊ะเป็นนึกว่าแล้วไปไปทับถมตนเองว่าเราผิดเราผิดเราผิด อันนี้เขาเรียกไปตอกย้าตันเองอันนี้ไม่ถูกคือมันถ้าหากเรามาวิจารณาดูเหตุและผลเนี่ยถ้ารถวิ่งขวาง ม, มาตมเนี่ยรถชนตุ้มตุ้ม ม, ม, มันไม่ใช่เฉพาะเขาเราด้วยอะไรเงี้ยเลก็เสียหายเยอะไหนรถพังไหนคนเจ็บคนตายเป็นต้นก็มีเคสตัวอย่างอยู่เรื่องหนึ่งในที่ว่ามีที่ออกข่าวมาไม่นานที่ว่ามีรถรู้สึกจะวิ่งกันไปแล้วมื่นเกิดลืมตัวกนดีท่าไหนไม่รู้ แลชนกันแล้วเกิดเบียดกันเนี่ยแล้วผู้หญิงก็เด็นออกมาเนี่ยแล้วรถเหยียบคนคนนี้ท้องด้วยที่ออกข่าวไม่นานเนี่ยใช่ไหมได้เคยได้ยินข่าวไหมนี่แหละก็มาหามาก็โอ้โหเด็กผู้ชายเนี่ยว้าไม่รู้จะวางใจยังไงไอ้เจ้าสามีออกมาพอเห็นเมียแม่กลัวจะได้เมียกว่าจะได้ได้ลูกเนี่ยต้องทํากิฟต์มาไม่รู้กี่สิบปีไม่รู้กลัวจะได้เนี่ยนะ พอเห็นเมียตายแล้ว ก, ก็วิ่งไปก็จะไปโดดฆ่าตัวตายโดดสะพานลอยเนีนะ่เรื่องรอลูกลูกลาบมันใหญ่โตไอเด็กคนนี้ก็เลยทุกใจทุกข์ใจก็มาที่มามาเขาบอกว่าเออคุณต้องวางใจให้เป็นเนยอย่างนี้ต้องวางใจใหเป็นมันเป็นสถานการณ์ที่เราไม่คาดคิดเลยนั่นเมื่อมีสถานการณ์ที่มันไม่คาดคิดอย่างนี้เนี่ย หตอนนั้นเราก็ต้องยอมรับว่าเอ็มประมาทดั้นแหละประมาทดั่นแหละเพราะเราก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์รถมันไปเหยียบกันยังไงไปไ ป, ไปเฉียดกันยังไงหรือไปชนกันยังไงก็ไม่ทราบตุ้มตามขึ้นมามาลุกอีกทีเอามันมีการตายกันเกิดขึ้นตลอดอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็ต้องยอมรับคําว่ายอมรับในที่นี้ก็คือว่ายอมรับได้ด้วยปัญญายัางไงว่าสถานการณ์มันเกิดขึ้นมาแล้วอะไรต่างตัวเนี้ยแต่ไม่ใช่มาทุกมาทรมาน แต่เพียงว่าเอา้าปืนขึ้นมาเนี่ยเราจะควรจะแก้ไขสถานการณ์ยังไงคนจะจัดการยังไงเป็นต้นเออนี่ถามอีกเรื่องหนึ่งว่าอยากทราบอนุปพิกถามีที่ให้เรียนหรือค้นคว้าศึกษาไหมต้องการแต่งอนุปพิกถาลงในบทสวมดมนต์ <c oughs> อนุปพิกถามีกล่าวไว้เยอะนะมีกล่าวไว้เยอะหลายที่แต่ถ้า ถ้าต้องการอยากจะแต่งหรืออะไรต่างๆให้สอบถามพระนะมีเวลาให้สอบถามเพราะว่าในในพระสูตรในพระไตรปิฎกท่านจะกล่าวหัวข้อย่อๆไว้แต่ถ้าจะไปขยายอย่างไรนะพระจะบอกมุมให้ขยายแบบนี้ขยายแบบนี้แล้วเราจะไปเขียนลงไม่ยากนะเอาละตอนนี้ก็เอ้าว่ามา อ, าอีกปัญหาหนึ่งเอาเลยมีเวลาน้อย <Hello. S 2> ครับเรียนพระคุณเจ้าคือผมจะถามว่าถ้าเกิดเราสมัชานสินแล้วแล้วเราเกิดผิดสินขึ้ น, นมากับผิดสินเฉยๆแบบที่เรายังไม่ได้สมัชชานศินอันไหนมันจะบาปน้อยกว่ากันหรือว่าบาปหนักกว่ากันครับเออบาปบาปนิวัดอย่างนี้นะว่ามันหนึ่งสินข้อไหน 2. ไปทําผิดเกี่ยวกับเรื่องอะไรและบุคคลใดการวัดว่าบาปมากบาปน้อยยกตัวยอย่างเช่น ถ้าค่ามนุษย์เนี่ยก็ต้องดูว่าค่ามนุษย์ที่มีคุณธรรมมากหรือคุณธรรมน้อยเขาจะวัดกันอย่างนี้นะเรื่องการบาปมากบาปน้อยให้ผลมากผลน้อยอย่างไรเนี่ยหรือค่าสัตว์เดรัจฉานถ้าค่ามนุษย์ไปวัดกันที่คุณธรรมถ้าสัตว์เดรัจฉานเนี่ยจะวัดกันที่ตัวและความเพียรเช่นสัตว์ตัวใหญ่ต้องใช้ความเพียรในการฆ่ามาก หรือสัตว์ตัวน้อยใช้ความเพียรในการฆ่าน้อยเห็นไหมไอ้กรรมที่ทําความเพียรพยายามในการทำไอ้ความคิดในการสั่งสมความแค้นความพยาบามในการกระทํวาวัดกันปริมาณตรงนั้นเป็นตัวตัววดัดนั่นคือกลุ่มสัตว์เดรัจฉ์แต่ท่ามนุษยก็วัดกันอย่างที่ว่าแม้การลักการประพฤติผิดในการเป็นต้นก็จะวัดกันที่คุณธรรมลดหลั่นลงไปตามตามบุคคลที่เราไปเกี่ยวข้องนั้นแม้ <c oughs> ทรัพยบัติก็ต้องวัดกันว่าเป็นทั้งบัตรส่วนรวมหรือส่วนตัว จะเป็นของสงฆ์หรือของบุคคลทั่วๆไปและของบุคคลทั่วไปก็ต้องวัดลงไปว่าคนคนนั้นที่เป็นเจ้ artist, าของมีคุณธรรมมากคุณธรรมน้อยนั่นวัดกันในลักษณะนึ่งนี่เขาวัดกันอย่างนี้ทีนี้ไอคนที่สมาทานกับคนไม่ได้สมาทานเนี่ยก็ต้องดูนะบางทีสมาทานเนี่ยแว่เผลอล่วงละเมิดกับไม่ได้สมาทานเนี่ยไม่รู้เรื่องศีลเลยเนี่ยคนรู้เรื่องศีลผิดศีลก็ไม่รู้เรื่องศีลและไปผิดศีลต่างกันนีต่างกันถ้าคนรู้เรื่องศีลเนี่ย ทำบาปจะไม่ค่อยกล้าทําแรงไม่ค่อยกล้าทําแรงเหมือนคนรู้ว่าไฟเนี่ยพวกคิดกรรมจะรีบปล่อยเป็นอย่างนี้เป็นต้นก็ดูรายละเอียดแต่คนไม่รู้เลยนี่มันคือฐานไฟมันก้อนไฟแดงๆมันจะกรรมเต็มที่เลยนะจับโดยไม่กลัวเลยว่ามันไม่รู้ว่ามันจะให้โทษยังไงนั่นคือความต่างของบุคคลที่ที่รู้กับไม่รู้นะมีต่างกันแตรายละเอียดก็ ก, ก, ก็พิจารณาตามมุมเหล่านี้นะขอบพระคุณพระคุณเจ้าครับ <laughs> เอาหมดเวลาแล้วจริงๆอามาจะให้นั่งกรรมาฐานกันเลยกันไม่ทันสักทีเลยไม่ทันอ้าว